คุยกันเบาๆนะเรื่องง่ายๆทำใจสบายๆอย่าไปผูกพันกับอะไรทั้งนั้น <c oughs> ทำใจดีๆใจดีๆมันมีอยู่แล้วเราไม่ต้องไปทำมันใจดีๆมีอยู่ที่มันไม่ดีเพราะ <c oughs> เราไปทำมัน ทำมันเฉยๆให้มันเฉยๆอยู่เหมือนเดิมเพรามันแล้วก็รักษารักษาจิตก็คือไม่ให้ความคิดมันเข้ามาเนะีย่ยถ้าเหมือนอันนียเหมือนแก้วน้านี่วิอะไรตกเข้ามานี่เราก็หยิบออกแต่ต้าเราเห็น แก้วเดิมๆจริงๆก่อนว่ามันมันเป็นอะไรยังไงมันให้คุณให้โทษยังไงอย่ า, รยาเรามาเดินจู ก, กรมเนี่ยแต่ก่อนเราคิดว่าความคิดมันไม่ได้เป็นโทษอะไรพอ ม, มาเดินจู ก, กรมแล้ดดวมันคิดเดยอะมันคิดเยอะก็เลยคิดเต็มที่ก็โอความคิดนี่เป็นทุกข์ขนาดนี้นะเนี่ยนะแล้วความอยู่กับปัจจุบันมันไม่ทุกข์แล้วก็เลือกเอาเถอว่าเราจะเอาชีวิตแบบไหน ทนะั้งที่เราไม่ได้ทำอะไรกับใครใครก็ไม่ได้ทาอะไรกับเรานะแต่ใจเราทาไมเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอะไรเพราะมันยึดติดนะที่มันห่วงมันหานหนึ่งมันยึดติดในรูปเขาบอกว่าสามอย่างในกามในกายและในรูปจิตมันติดนะติดในกามในกายในร่างกายนี้และในรูปรูปที่ผัสสะเข้ามา รูปทางตารูปหูรูปเข้ามาทางหูทางจมูกทางกลิ่นทางลิ้นทางรสทางปัสสะเขาเรียกว่ารูปอันนั้นเรียกว่ารูปสิ่งไหนที่กระทบกับกายอันนี้กับรูปอันนี้เขาเรียกว่ารูปคือรูปมันมาอาศัยรูปนี้เกิดอย่างเสียงนี่อาศัยรูปกายเกิดเจ็บปวดนี่เป็นรูปแบบหนึ่ง อย่างเราเรียกรูปแบบรูปแบบผมกระทบปุ๊ปบแล้วมันก็หายไปกระทบแล้วก็หายไปแต่เราปฏิติดอดกติดใจหวานเราก็ชอบเผ็ดมันเค็มสบายใจลมพัดเย็นๆนี่เราก็ชอ บ, ช บ, ชอบถ้าไม่มีลมเราก็อึดอัดแล้วก็ทกข์นี่นะเรามาคิดดูนะชีวิตพ่อชีวิตแม่เรา สมัยเมื่อก่อนเขาอยู่แบบไม่มีอะไรนะชีวิตเขาพัดลมเขาก็ไม่มีอะไรเขาก็ไม่มีเขาอยู่บ้านแบบง่ายๆแต่คิดว่าดัชนีความสุขเขาน่าจะสูงกว่าเราแต่ปัจจุบันนี้แทบไม่มีมันต้องพึ่งเทคโนโลยีไปมดเลยถ้าไม่ได้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยชีวิตนี่เหมือนเหมือนไม่มีความสุขคนไม่มีรถก็ไม่มีความสุขไม่มีนะ บ้านหลังสวยๆงานไม่มีอะไรแดนเป็นความทุกข์นะแต่บางครั้งเวลาเราขี่รถผ่านไปตามถนนเนี่ยเห็นพวกาภายทุงขยะนะนะสบายทุงขยะเดินตามถนนผมก็เสื้อก็เสืองดูเหมือนมันไม่ทุกข์เลยนะนอนตามถนนตามอะไรก็ไม่ทุกข์ความไม่ทุกข์ของมันเกิดจากอะไรอ่ะเกิดจากมันไม่คิด แล้วความคิดมันก็จํากัดอยู่ด้วยในระดับหนึ่งคิดไปกับเท่านั้นแหละมันจะคิดเนี่ยคิดมันอยากคิดเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยมันคิดห้อยไม่ได้หรอกเขาเดินกระบวนกยุ่งเลยกูมันกเกลี่ยไม่คิดบุ่นวายก็หาเก็บเศษขยะไปวันวันน่นเอก็อยู่กินแค่นั้นก็ไม่ทุกข์ละผมก็ไม่ได้สะ ดูทีวีก็ไม่ได้ไปคิดกับมันเขาโฆษณายี่ห้ออะไรขึ้นมานะแผนตีนแผ่นอะไรเนี่ยก็ไม่ได้ไปทดจุกกับมันรีจอยรีอะไรเขาดูเฉยเฉยมันก็เฉยเดืออาจจะไม่เคยเห็นเลยซ้ําไปอะ่ะเขาไม่ได้ปรุงแต่งตามของเราเนี่ซื้อนะผมหล่นผมนิดผมหน่อยโฆษณาอะไรไม่ได้ติดปั๊บทันทีเขายื่นอะไรมาติดเดี๋ยวนี้ไปออกกําลังกายแทนที่จะรดน้ําต้นไม้ต้นอะไรไปเนี่ย ชีวิตชาว บ, บ้านเราก็ไม่เป็นแบบนั้นซื้อเครื่องมาวิ่งเครื่องละแปดพันเนี่ยมื่อหนึ่งเนี่ยวิ่งจุ๊บจับจิบจับจบอยูยนะ่นี่ยไม่ได้ไประโยชน์อะไรเลยได้เงือ่อเขาเอาดารามาออกกําลังกล้ามหน้าท้องมันเป็นมัดมัดเป็นค้อๆ้ อ, อเนแนละ้วโอ้ยเราก็น่าจะได้แบบนั้นนี่อนั้นของไม่มีงา น, นันของเราจะรดน้าต้นไม้บ้างปัดกวด า, า, าดบ้างทำสะอาดบ้างอย่างโครงการแถวบ้านนอกเนาะ พวกอนามัยทั้งหลายเขาไปรวนลงเต้นแอโรบิกเนี่ยดงตาหอกเฮ้ยไสาระเปิดเครื่องก็กระทึกครือคมสร้างกิเลสให้กับคนอีกทัางหากมินำซ้ำไปเอาลานวัดเป็นลานกีฬาอีกเต้นใส่พระในวัดอีกพระก็ไปปาดกวาดแถวใกล้ๆนั่นแหละเอาไปมาก็ศึกซ้ำทั้งกิเลสมันยั่วยอยู่ตลอดเวลาเนาะมึงก็ปรุงแต่งนะ่ะ ทาที่ดีทําไงแก้ปัญหาเอาตอนเช้าแทนที่จะออกมาเต้นเนี่ยเอาจับไม้กวาดซานะกวาดถน น, นเส้น น, นั้นตอนเย็นวันนี้วันนี้เอาหมู่บ้านเรามีกี่ซอยปัดกวาดซอยโ น, น้นอย่างเงี้ยทำทุกวันทุกวันเนี่ยบ้านเมืองสะอาดนะรดน้ําต้นไม้อะไรประมาณถนนลดระล ง, ล ง, ล ง, ล ง, ลงเป็นถนนตัวอย่างได้เยอะแยะเลยออกกําลังได้ด้วยแต่ก็ได้ประโยชน์ได้แทนที่จะไปเต้นอยู่นั่นอนะ ถามว่าได้อะไรไม่ได้เลิกเรียนมาหรือหยุดพักหยุดการหยุดงานมาเอา่าเต้นอยู่นะได้อะไรอ่ะความคิดมันไม่สร้างสรรค์นเอาซะเลยนะเคยพูดอยู่เสมอว่าปกติพวกคนแก่ๆมีอายุหน่อยเนี่ยมันไปเต้นในขับในบาร์ไม่ได้มันเหมือนผิดกฎจารีตประเพณีวัฒนธรรมเหมือนผิดกฎหมายเนี่ย เขาก็หาเรื่องให้มาเต้นถูกกฎหมายตอนแก่ๆ ก, ก็เต้นเต้นตอนนั้นเขาก็ไม่ว่าบ้าหรอกแต่ถ้าเต้นคนเดียวเขาจะว่าบ้าเขามันบ้ารวมกันเลยเอาไปบ้ากระทั้งหมู่บ้านเนี่ยจะดีเต้นไปตามเรื่องมันือเหมือนถูกแลเบียบถูกอะไรไปเนี่ยแต่ถามว่าได้ประโยชน์ไม่สร้างสารรค์ไม่ได้อะไรไปปลูกผักทาเกษตรปลูกต้นไม้ให้บ้านในเมืองคือตอนเย็นมาเอา ทำกิจกรรมแบบ SML นะสักอันหนึ่งอาจจะปั้นอิฐหรืออะไรก็ได้หางานหนึ่งเข้ามาแต่ที่จะมาเต้นเอาแต่หุ่นดีแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรนะนะแต่มันก็ง่ายกิจกรรมมันมันง่ายถ้าหลวงตาเป็นผู้อนุมัติเลยพวกนี้ถ้าทําเรื่องมาหานะไม่มีอนุมัติคําโครงการเต้นตอนเย็นเลยทาอย่างอื่น ถ้าเสนอมาจะเซ็นให้แต่แบบนี้ไม่เอานะมันไม่เกี่ยวกันนะถะว่ามันก็ธรรมดามนุษย์มันต้องมีการเอนเตอร์เทนก็ถูกอนะแต่ว่าคิดดีกว่านั่นนะให้สังคมได้รับประโยชน์อะไรที่แบบในระยะยาวได้ด้วยเห็นไหมมันวูบขึ้นมาครั้งหนึ่งสนองตั้นหากิยรตของคนทำโครงการหนึ่งแล้วก็หายไปหายไปหายไ ป, ย ไ, ปนะไม่มีอะไรมันวูบขึ้นมาเหมือนไม้ไล่หนูนะ่ ดังจังตอนหนึ่งเนาะทางลำพูลคงได้ขายนะไม้ไล่หนูอี่ยงเดี๋ยวนี้มีไหมไม่มีนะไปใส่แล้วใส่บ่วงเหมือนเดิมหรือเอายาฆ่าหนูนเหมือนเดิมอะ่ะไม้ไล่หนูนี่ก็ขายตามถนนทางก็เท่านั้นอนะ่ะไม่มีอะไรแต่มันวูบขึ้นเป็นจังหวะจังหวะเฉยๆนั่นก็อย่างยางว่าแหละคนก็ ผู้ผู้อนุมัติผู้อะไรก็อยากได้เปอร์เซ็นต์สานะมสิบเปอร์เซ็นห้านะมีร้อยถอดห้าถอดสามมันยากสังคมไทยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ตลอดเวลาไม่แต่โครงการเนี่ยถนนปลอดฝุ่นเนี่ยตัวทาคิดนะคิดเฉยๆนะใช่ไม่ใช่ไม่รู้นะ ลัดมันก็ฟันไปเยอะเกินคนคนบริหารคนอะไรต่านี้ถนนบางถนนมันดีอยู่นี่ยในหมู่บ้านมันไม่ไปทํานะถนนที่มันไม่ดีมันเอายางไปลาดทับหน้ามันอีกแล้วมันก็บวกตั้งแต่บทอัดขึ้นมาโน่นเนี่ยโครงการถนนเจนี้สิบล้านมันเอามาใส่ซะสองล้านประมาณนั้นเฉพาะน้ำยางเพราะปกติพื้นมันดีอยู่แล้วบางทีมันก็ลอกหน้ามหรอกก็ใส่ถนนปัญญาเราขี่มันดีๆอยู่นหะเราใช้มาห้าปีสาปีนี่แต่มันก็ลอกออก มันมันเอื้อเฟื้อต่อพักการเมืองที่คืฉกเอางบพวกเนี้ยมากกว่า <c oughs> คนทําก็เท่านั้นเปอร์เซ็นต์เท่านี้เปอร์เซ็นต์ทำสักหน่อยคิด <c oughs> <c oughs> อ่างเก็บน้ําอ่างละหกล้านสิบล้านเนี่ยทําอ่างเดียว <c oughs> ผู้อนุมัติเนี่ยอนุมัติอนุมัติถ่ายรูปมุมนั้นมุมนี้บอกว่ามาสิบอ่างก็รีบรีบเอางบรีบเบิกก่อนนะ่ย เบิกมาก่อนเพื่อจะได้เปอร์เซ็นต์มันแต่ที่จริงคุณภาพได้ไหมก็แล้วแต่เขาจะได้เพราะว่าอนุมัติไปแล้วบอกว่าใช้ได้แล้วอะไรประมาณนี้โครงการทั้งหลายทั้งปวงจะเป็นแบบนั้นแล้วคนไทยก็ชอบประจบสอพอด้วยรัฐชอบประกาศโครงการไหนมืดบดออกมาเอาใจใส่เมื่อกี้โรงเรียนบุญโยปรธรรมเนี่ยนะ ทำอะไรเนี่ยโครงการเกษต ร, รเกษต ร, รษอะไรประมาณนี้เนะ่ยสนองงานรัฐคล้ายๆว่ารัฐเขากําลังเหอเรื่องนี้เขาก็มีโครงการไว้เอาผู้ว่ามาเปิดโน่นนี่แต่ไม่รู้จะได้ประโยชน์กับสังคมเท่าไหร่แต่ว่าคนไหนสนองงานรัฐเดี๋ยวนี้เขาจะแทงงบให้แทงงบให้แทงงบให้งงใหออกมาไวแต่ก็ทำนะทาเกษตรแบบสาธิตแล้วก็ว่ากันไปตามเรื่องแต่ทํามาได้เท่าไหร่ไม่ได้หรอกคนที่ไปดูก็คือพวกในเมืองและจะได้อะไรพวกในเมืองมาทําเกษตรหรือพวกในเมือง ไม่ได้ทำแต่คนไปดูเยอะไม่เยอะซื้อของมันก็มีนะแต่คนที่จะทำกเกษตรเรื่องบ้านนอกคนนะ่ะความรู้ความเข้าใจเนี่ยมันหลายอย่างนะทำมันไม่ถูกจุดถูกเป้าถูกตรงแต่ว่ามันมีภาพนะเขาสร้างให้มันเป็นภาพแล้วถ่ายภาพไปขอบไหมถ้าทำจริงทำจริงนะประเทศไทยนี่มันรวยนะรวยนะประเทศไทยนี่รวย อาจจะได้มีทางเข้าบ้านของเราแต่ละคนอาจจะได้เป็นแบบอะไรนะพรมเส้นทองคําก็ไดนะ้เป็นพรมแนละเส้นทองคําปูเข้ามาบ้านเหมือนมากุดราชจจกุมารของดูนย่ยเขามีพรมทองคํานเดินเนี่ยของเราเนี่ยงบร้อยหนึ่งหักเจ็ดสิบหลือสามสิบประมาณนั้น ยังมาก60สนะนี่ะ40บนี่หลุดไปละผู้เซ็นโครงการเข้ามาคนหนึ่งละยื่นเข้ามาคนนั้นคนทั้งหลายเขาจึงถอนตัวมาทำเจ้าชีพอิสระดีกว่าเอา้าสังคมก็เป็นแบบนั้นคนไหนมี power มีอะไรทางโลกก็พัฒนาไปบริหารไปคนไหนไม่มีก็เอาไปทำส่วนตัวซะชีวิตเนี่ยไปยุ่งยากกับันมากมมาก็ทุกมาก เพราะว่ายิ่งไปรู้จักมากปัญหามันก็เยอะนะสังคมเนี่ยแล้วทุกวันนี้ต่างคนก็ต่างทำงานเพื่อจะจะสร้างโอกาสให้กับตัวเองเพื่อเข้าไปเยี่ยงชิงสิ่งที่เป็นนา ม, มาทําไม่มีตัวตนนี้มากขึ้นต่างคนต่างอยากเข้าไปเรียนสูงสูงงานทางตำแหน่งสูงสูงอะไรมุดเข้าไปมุดเข้าไปนะลวงตาไม่เอาชีวิตแบบนั้น มาอยู่กับอย่างนี้ดีกว่า <c oughs> เอาพระพุทธเจ้าเป็นนายพุทธัสาหัสสมิทาสวัสดิโเ ม, าม ส, โสามีกิสโลสามีกิสโลข้าพเจ้าเป็นทาสของพระพุทธเจ้ารอมรับใช้พุทธะพระพุทธเจ้าเป็นนายสามีเป็นนายมีอิสระเหนือข้าพเจ้า มารับใช้พุท ธ, ธะรับใช้ความรู้ความตื่นความเบิกบานของเราเองเนี่ยใช้รับใช้เนี่ยไม่ต้องเป็นทาตทาตความอยากสนองความอยากตงตาหูจมูกลิ้นกายใจลาบยสศสารเสริญไปวันวันไม่เอาละอันนั้นลอยสว่างซะแบบนั้นไม่เอาไปนะเป็นเจ้าเป็นนายเป็นโ น, น่นเป็นนี่จริงๆมันเป็นความรู้สึกนะเขาว่าเหมือนกับหมาแทะกระดูกอร่อยจังนะ่ะแต่ที่ไหนได้กินน้ําลาย มาแทะกระดูกชีวิตเราก็เหมือนกันที่คิดว่าเราได้เราดีเราเป็นเรามีเรานีจริงๆเลี้ยงความคิดนะนี่มันเป็นความคิดแต่ถ้าเราสลายความคิดมันก็ไม่มีอะไรเราก็เป็นตัวธรรมชาติตัวหนึ่งเท่านั้นเองเป็นคนคนหนึ่งที่มันไม่มีอะไรเราเอารูปมาเลี้ยงใจเลี้ยงกายเลี้ยงหูเลี้ยงจมูกเพราะเราปรุงแต่งดังนั้นจิตเราเนี่ยเราไปปรุงแต่งขึ้นมาแล้วว่าเรามีเราเป็นจริงๆ คนดีคนชั่วคนจนคนมีจริงๆสภาวะโดยปรมัติเหมือนกันหมดเลยนะคือไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังนาตาคนสุขภาพดีสุขภาพเร็วเท่าๆกันน่มันจะเอื้อเฟื้อหน่อยตรงที่มันจะสามารถทะลุมิติไปสู่ความเป็นผู้พ้นทุกข์ได้ดีกว่ากันเท่านั้นเองแต่ความจนความรวยความสวยความงามความมีฐานะไม่มีฐานะไม่ได้ช่วยอะไร เห็นไหมคนมีฐานะมาปฏิบัติธรรมอาจจะโง่ ก, กว่าคนจนก็ได้คนดีๆสุขภาพดีอาจจะแย่กว่าคนพิการก็ได้ปฏิบัติธรรมเนี่ยที่มีโ อ, อกาสจะเห็นทำอืดการปล่อยวางนะ่ะมันต่างกันนะคนโรคภัยไข้เจ็บเยอะๆ อ, อาจจะเห็นทำรู้ทำเห็นทำเข้าถึงสภาวะที่สิ้นทุกข์ได้ไวกว่าคนที่สุขภาพดีไม่มีโรคมีภยัยก็ได้ แล้วมันค่อนข้างจะเป็นนย่งนั้นซะด้วยดนะิเพราะเขาเห็นทุกระดับหนึ่งแล้วแต่คนส่วนมากที่มีอะไรดีๆเนี่ยมันจะเมาอยู่กับสิ่งที่คิดว่าตัวเองเป็นตัวเองมีมีอาหางการมะมั่งกา ร, มมการความสําคัญบ้านใหม่ในความเป็นตัวกูของกูมะมั่งการคือของกูอะอะไรก็เป็นของกูของกนะูเมื่อก่อนเราก็เป็นเฉพาะเราตัวกูมันก็เล่น้อยพอมีลูกก็ลูกกูขึ้นมาเอง ของกูมันไปติดอยู่ในนั้นลูกกูหลานกูผัว ก, กูเมียกูทรัพย์สมบัติกนะูมันไปหมดนะชิตนี่เขาเล่ามีนิทานเล่ามีลิงฝูงหนึ่งอะอยู่ในป่าพญาลิงเป็นโพธิสัตว์เป็นโพธิสัตว์เกิดเป็นโพธิสัตวนะ์ได้ยดูแลบริวารห้าร้อย มันหนึ่งมีในพรานคนหนึ่งเขาไปเจอลิงลิงตัวนี้เป็นลิงเผือกนะตัวใหญ่เบลมเทมเลยดูแลบริวารจะฝูงมากมายโอ้ก็เลยมาเล่าให้ะลาชาฟังก็อยากได้ถ้าได้ลิงเผือกช้างเผือกเนี่ยสุดยอดเป็นมหามงคลคู่กับบรารมีก็เลยเข้าไปในป่าไปนะจะยิงเงา พอจะยิงตวหัวหน้ามันไม่ได้ก็จะยิงลูกน้องเขาบอกมเลยบอกไม่ต้องยิงก็ได้ท่านมาอะไรอะเงี้ยจะได้ยิงลิงตัวนั้นถ้าไม่นด้จะยิงลิงพวกนี้ให้ตายหมดโอไม่เป็นไรนะจับพระพเจ้าไปได้เลยพระพเจ้าดูแลลูกน้องบริวารลิงน้อยทั้งหลายร้องไห้ตามเอามาเอามาเอาลูกพี่มาึ้นมานะเขาก็ไม่เอาคืนมาให้เขาเข้าไปในพระราชวัง มันก็ไม่ยอมกินข้าวกินปลาเอากล้วยไห่ก็ไม่กินเอาอะไรก็ไม่กินนะไม่กินอะไรเลยลิงตัวนี้อยู่เฉยๆ <c oughs> นั่งไว้เงาอยู่วันหนึ่งพระราชาเสด็จมาเอาลิงที่ว่านั้นได้มาหรือยังได้มาแล้วเอาดูแลยังไงพอมาเห็นอ๋อทำไมผอมขนานดะลิงเปือกทํำไมผอมเดือแต่ก้างเนี่ยข้าเทพระองค์ผู้เจริญมันไม่ยอมกินข้าวนะ่ะ ไม่ยอมกินผักพืชผลไม้ไม่กินอะไรเลยเอาอะไรอาหารประเภทไหนมาให้กินก็ไม่กินนมันไม่กินนะมันกินอะไรกินกล้วยกล้วยมันก็ไม่กินอ้าวไก่ยาก KFC มาดิก็ไม่กินมันไม่กินอะไรสักนันก็เลยมาถามว่าทําไมไม่กินข้าวทำไมไม่กินเนื้าไม่กินกล้วยกินอะไรเลยเนี่ย ข้าพเจ้าจะกินได้ยังไงบริวารของข้าพเจ้าอยู่ในป่าเนอะเขาคงทุกข์มากนะแล้วข้าพเจ้าจะมาอยู่แบบสุขสบายยังคงไม่ได้หรอกข้าพเจ้าเป็นการเห็นแก่ตัวข้าพเจ้าปกครองบริวารบางตัวก็ตัวน้อยยังไม่มีสติปัญญาอาจจะไปถูกบ่วงในพานอาจจะถูกยิงด้วยธนูด้วยนั้นด้วยนี่ข้าพเจ้าวันวันหนึ่งข้าเจ้าต้องอบรมดูแลบริหารบริวารมากมายหลากหลาย ข้าพเจ้าไม่อาจจะเอาตัวรอดด้วยคนเดียวล็อกชีวิตของข้าพเจ้าอยู่ในป่าในดงอีกประการนึงก็คืออิสระมากอยากไปไหนก็ไปอยู่กับธรรมชาติมีกินก็ได้ไม่มีกินก็ได้อ น, นี้อยู่ในกรงทองนะแต่อิสระมันไม่มีอะแล้วชีวิตนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนเลยไม่ได้เป็นประโยชน์กับหมู่กับคณะข้าพเจ้ารักชีวิตแบบนั้นมากกว่า อูบนี้พระเจ้าตายซะดีกว่าเนพนราะอะไรชาโฮ่ทำไมคิดดีขนาดนี้ลิงตัวนี้น <ะ S 2> แล้วมาอยู่นี่ไม่ดีเลยไม่ดี <นะ S 2> วันวันหนึ่งเนี่ยคนก็มาเกาะกรงลิงเกาะกรงแล้วก็พูดกับลิงอ้ยลิงเจ้าอยู่ดีมีสุขเนาะใครก็มาดูแลเจ้าแต่ข้าไม่มีใครดูแล คนนั้นก็มีกอกคนนี้ก็มีกิ๊กไปหมดแล้วสามีชั้นไปคนนั้นเมียชันไปอย่างนั้นอย่างนี้คือมาเล่าเรื่องนั้นเล่าเรื่องนี้ให้ฟังบันทีก็มาเกาะกองเลยโอ๊ยวันนี้หุ้นตกหุ้นขึ้นอะไราณ น, นซื้อเลขก็ไม่ถูกนะวันนี้ออกศูนย์สามดันซื้อสามศูนย์มันไม่ถูกมันคิดเนะ่ยมันปรุงมันแต่งไปจิตนะ <c oughs> เขามาพูดววันตัวันในนั้นก็จะพูดว่าสุวรรณนางเวฮิรันยังเม <c oughs> คือจะเอาเงิน <c oughs> เงินเนี่ยเงินของกูทองของกูหรฮะแต่เงินแต่ทองวันหนึ่งเนี่ยฮแต่ทรัพสมบัติถ้าปัจจุบันนี้เขาก็จะเขียนเพิ่มเละมือถือกูคอมพิวเตอร์กูบวกข้าไปรถอูลากูใส่หมดนะ <c oughs> แต่ก่อนมันมีเงินเงินกูทองกูพูดพูดเงินเงินทองทองทรัพสมบัติอะไรเป็เครื่องประดับตกแต่งผัวกูเมียกูมีแต่ตัวตนัวกูของกูมามังอาหางการมามังการาจิตวิ่งขึ้นวิ่งลุนเหวเนี่ยมาแล้ว่าสังคมมนุษย์เป็นขนาดนี้เลยเหรอไอที่เขาสวยๆงา ม, งา ม, งามแต่งเนื้อแต่งตัววันจริงๆเขาทุกแทบตายเนาะมาเกาะกรงแล้วก็พูดเกาะพูดพูดอยู่เนี่ย มันเลยทุกมากไม่ยอมกินข้าวกินน้ถ้าอยู่ในเมืองคนมันจะบ้ า, าตายมันว่าแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยพระราชาเห็นอย่างนั้นก็เลยเอา้าเอาอางนี้ก็แล้วกันให้ในพรานเอาให้เงินในพรานไปแต่ว่าอย่าลืมเอาลิงนี้เอาไปส่งด้วย <c oughs> เอาไปส่งในป่าที่เดิมเขาเนั่นแหละเขาก็เอาไปส่งไปส่งป่าพอส่งเขาปล่อยไปมันก็ขอบคุณเดี๋ยวมาส่งให้ แล้วก็โดดโลดเต้นลงไปลิงน้อยทั้งหลายทั้งปวงนห้าร้อตัววิ่งมาโดดจดจดจดจดจดมารองรับปราชญเพราะมันเองไงคือลิงพญาลิงลูกพี่มาแล้วเหรอลูกพี่มาแล้วเหรออะไรมันเล่าให้ฟังด้วยเล่าให้ฟังด้วยได้อะไรมาไปอยู่เมืองมนุษย์คงจะอิ่มลำเบลทำพร้อมจังเนี่ยได้อะไรมาเล่าให้ฟังน้อยพญาลิงก็เล่าให้ฟัง ไปอยู่เมืองมนุษย์หมาอยู่ในเมืองปราชาด้วยซ้ำไปอะ่ะเป็นลิงของะลาชาเขาเลี้ยงอาหารการกินแบบนั้นแบบนี้มีตื่นมาแต่เขาขังไว้ในกรงนะเขาไม่ให้ไปไหนมาไหน <c oughs> เรื่อง <c oughs> มันเป็นยังไงบ้างเนาะ <c oughs> เรื่องมันก็มีว่ะ วันหนึ่งหนึ่งก็ไม่มีอะไรเห็นคนนั่นก็ตีกันเห็นสนมตอนนี้ก็ร้องไห้มานะบางวันเขาก็ยกพวกมาล้อมเสื้อแดงเสื้อเหลืองนะในนั่นของกูของกู อ, งกอะไรประมาณอ๋อตายตายตา ย, ต, ายตอนพี่ไปในะช่วงไหนเอาช่วงนั้นแหละช่วงเขาจะตัดสินคดีรประมาณไปเต็มเไปหมดเลย ตำรวจทหารเต็มมันก็กลัวนะพวกนึงก็จะเข้าไปโอ้ยวุ่นวายไปหมดน ะ, ะเรื่องเงินเงินเรื่องทองเรื่องฝักฝ่ายกูกูมึงมึง <c oughs> พวกลิงน้อยทั้งหลายนี่ได้ฟังนะนะโดดลงน้ําเลยโดดตวดตวดดต่อมต่อต่อลงในน้ําโดดลงไปตอนไหนพอมันโดดไปแล้วก็วักน้ําใส่หูแล้วก็ล้างออกกูไม่อยากฟังกูไม่อยากฟังมันะ มันเบื่อเบื่อที่จะฟังเรื่องอะไรๆมนุษย์คล้ายขนาดนี้แล้วอย่นี้นะโกโปกเรื่องมนุษย์เนี่ยโกโปกมากมันไม่อยากฟังไม่อยากฟัคนล้างออเอาไม้แค่ออกอะไรออกหนุ่มล้างหูชื่อเรื่องนี้เรียกว่าลิงล้างหูมันไม่อยากฟังเรื่องมัน ม, มีแต่เรื่องโซกโปกโศครกเรื่องแต่มารยาสาไตรเรื่องอีรันยังเมสุวรรณังไม่มีแต่เงินกูทองกูอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่มีอะไรตีไง มันไม่เคยมีแบบนี้อยู่ในวงการมันน่ะมันไม่ได้พูดถึงเรื่องแหวนเรื่องทรงผมเรื่องแฟชั่นเรื่องอะไรไม่มีรองเท้าสูงสูงต่ำาๆมันไม่มี <c oughs> เห็นไ้มพระสวมวัดสมณัสเนี่ยต้องมีสมณะสัญญาต้องสติดีมากนะถ้าไม่ดีแล้วหลงรองเท้ากัน <c oughs> ต้องพินทุไวเพราะมันยี่ห้อเดียวกันมด เราใช้ของแพงนะของสูงดาวเทียมของสูงของต่ำไม่ได้ถ้าไม่มีความจำอันตรายนะมันหาไม่ได้หลายครั้งที่รองเท้าหลวงตาที่สวยกว่าเพื่อนนี่พระน้อยเอาไปนะต้องไปตามมานะนี่มันเทียบรอยเจะาอาวาสนะต้องเอาคืนมาไ ป, ไปตามหาบางที มันยากลงตองพลิกลงข้างล่างนะทําเครื่องหมายพินทุไว้ข้างบนก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทาข้างล่างเขียนไวนะ้ผ่าจีวอนผ่าอะต้องเขียนนะจริงๆสมณสัญญาเขาให้มีแค่นั้นแนะ่ะไม่ต้องเอาเยอะเอาเพื่อจำว่าอันนี้ของเราใช้เท่านั้นเองที่จริงไม่กล้าเอารองเท้าไม่เอาจีวอนคนอื่นเพราะกลัวไปถูกจังหวะมันขี้กากมันอันตรายนะเป็นเกลอนเป็นหินมันคันทำกรรมฐานเนี่ยคนเป็นขี้กากมาบวชเขาไม่เอานะ กีลาโซโซโซอปมาโรมนุษโซซีโลกมงคร่อโลกลมบ้าหมูโลกขี้หีด ข, ขี้กากเขาไม่ให้บวชไม่ให้บวชนะปัจจุบันมีนบวชไหมโลกพุทธทางธรรมังสังขังนี่เขาไม่เอานะเขาห้ามแล้วเขาให้มีคนตรวจก่อนนะตรวจก่อนบวชจะว่าจะโรคเอิดนะโรคพวกนี้เขาก็ไม่เอาถ้าคันเนี่ยมันจะมีสมาธิหรอือเต่ว่าเปป็นไ มันจะได้หรือเอ้วยิ่งรูปแบบหลับตานี้ยิ่งอันตรายนี่ไม่ได้นะลงตามา่านั้นพระพุทธเจ้าว่าขี้กากนี่ห้ามบวชนะเธอจำไว้เลยนะถ้าลูกหลานจะไปบวชเนีต้องเอาไปซ่อมซะก่อนรักษาขี้กากให้เสร็จก่อนเราก็เหมือนกันนะที่มาเนี่ยแต่ว่าอาจจะไม่เป็นขี้กากทางด้านร่างกายแต่ขี้กากคนนี่เยอะมันกัดใจอะ่ะ โอ้ยสร้างจังหวะเปทานนีกนน็นี่หนอนี่หนอนี่นะ <c oughs> นี่แหละนี่แหละพระท่านสอนนี่แหละเราก็นี่หนอมันเป็นนี่เป็นศิล์เน่ชีวิตก็คือแบบนั้นต้องให้มีมีความพร้อมในระดับหนึ่งถ้า ม, มีอะไรเยอะๆมีปัญหาเนี่ยเขาไม่เอาชีวิตนี้มันยากลาบาก ยินาธานังถูกขั้งโลเกความเป็นหนี้เป็นทุกในโลกหลวงตาไม่มีหนี้ใครนะไม่มีหนี้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีหนี้อะไรหนี้พ่อหนี้แม่หนี้สาธารณะไม่มี <c oughs> เป็นบุคคลที่เครดิตไม่เสียกู้ที่ไหนได้ที่นั่นห้าล้านขึ้นได้อะ่ะ คนทุกวันนี้โอ้ยากลําบากแต่รัฐบาลก็เอามาให้กู้ให้กู้ให้กู้เดี๋ยวนี้มันบ่งบอกว่าคนคนความอยากมันเยอะโครงการนั่นโครงการนี้ผ่านขี่รถผ่านธนาคารเลยนะ SML ก็มีนะ SME เันนี้มีทุกอันที่ให้กู้พวกครูนี่ยิ่งสา ก, กลหรือรูปแบบที่ให้กู้กูหมดกู้กันมากเลยก็ไม่มีนะคนที่ไม่กู้นะกู้ยิ่งเขาบอกว่า อา้าวนี่นอกระบบมาลงบัญชีซะครูก็ทำเรื่องปลอมกู้กันขึ้นมานเผื่อได้จะไปเอาก่อนเนี่ยความโลภมันจะไว้หน้าใครได้เงินฟรีได้ยินเขาว่าปีสองพันสิบสองเนี่ยโลกจะร่มสลายแล้วใช่ไหมหลวงตากขว่าแนะ น, นำญาติโยมในหลายประเทศก็นี่แหละเป็นช่องทางที่เราจะกู้ว่ะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้แน่นอนแหละกู้แม่มันเลยร้านทองร้านทองเลยลเขาซื้อ เช่าอะไรออกมาเ ย, ยอะๆเพราะปีสองพันสิบสองเนี่ยสบายแล้วมันถ ล, มล่มแล้วก็ใช้ฟรีเอามากินมาสบายเลยเนะี่ยไม่มีปัญหาเนาเขาว่าโนสตาดามุสเนี่ยพวกเผ่ามายันเนี่ยทํานายทายถูกยังอะไรดีเราจะไม่เชื่อพวกนี้จะไปเชื่อใครไว้ใจเขากู้แหลกเลยพวกธนาคารมันยังโ ง, ง่อยู่มันยังไม่เชื่อเขามันจะกู้เรามันจะให้เรากู้ อูแม่มันเข้าไปเนะี่ยเอาใบธนูขันจำเข้าไปใบให้ใบนาเราเนี่ยใบบ้านมันเนี่ยามาซื้อสนุกสบายไปแต่ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเราก็ซื้อฟอริดอนมาไว้ะ้วย <c oughs> มันมันสุดท้ายมันไม่ไว้ไวใจใจมันอันตรายมันนะแค่ขวดเดียวฝาเดียวเท่านั้นแหละสบาย <c oughs> เอาจะอยู่ไปทําไมเราเร า, เรารู้หมดแล้วในะความสุขในโลกนี่ ใช่ไหมว่าเรากู้มาเสร็จแล้วเน่ะยระย ะ, ะ, ะ, ะจานี้ไปสองปีเนี่ยใช้หสุขแบบไหนเน่ยกามหรือก็เอาที่สุดของมันเลยนะกินหรือ ก, ก็กินที่สุดเกียรติหรือก็เป็นเกียรที่สุดลงสมัครผู้แทนเต็มที่เลยนะเอาให้มันเต็มที่เลยหวานเงินพราะเรากู้มาแล้วไงทําไมมันจะไม่ได้เขาเสร็จอยู่ที่เงินทุกอย่างก็ลงทุนไปหมดนะกินกามเกียดรติมันเสร็จหมดทั้งตาตั้งหูจมูกลิ้นกายใจ นะเครื่องสัมวูงสมางเอามาทาความสวยของมันไม่มีแหกหนะ้าดึงไปไว้ด้านหลังทําให้มันหมดนะ่ะอสายใจชีวิตกูเกิดมาครั้งเดียวเนี่ยเต็มที่เลยปีสองพันสิบสองกูสบายแลท้ทีนี้นะเชิญมาเลยเนี่ยโลกมันจะหมุนยังไงก็มไม่สบายเราไม่ได้ไปทุกข์กับมันนะ่ะแต่ว่าพระพุทธเจ้าเขว่าอย่าประมาทนะอย่าประมาทนะพุทธเจ้ า, าเกิดมันไม่เป็นนะอนนี้จังเลยยุ่งนะนะท่านว่ามันเป็นอันนี้จังนะแต่คนก็ไม่รู้นะ คนนี้มันน่ารังเกียจมากนะแต่เราก็ว่าเรางามเราสวยเราดีเราเด่นนะมีนิทานเรื่องหนึ่งอะวันนี้เล่าสักสิบเรื่องคงเคยได้ยินฟังอ่ะนะไอชาติคนเคยยินไหมไอชาติคนเนี่ย ไม่กล้าด่านะว่าไอชาติหมาคือมันไม่ดีเท่าหมานะเนี่ยก็เลยว่าไอชาติคนหมามันพูดให้คนว่าไอชาติคนเอ้ยไม่มีดีเลยน้อยไม่มีหมาตัวหนึ่งเดินเลาะแหละไปตามวัดคือมันไปเที่ยวงานเที่ยวงานงานสงกรารเคยเห็นไหมงานสงกรารมีไหมแถวบ้านเรามีงานสงกรารเขามี ทำเจดีสายมีเห็นไหมก่พระเจดีสายเจดีสายคือเขาทําบูชาพระพุทธเจ้ารอยพระพุทธเจ้าที่น้ำมาทานนทีรอยพระพุทธบาทท่านเดินแถวแถวนั้นเนี่ก็เลยทําบูชาท่านคือใครมีอะไรก็เอานั้นบูชาพระพุทธเจ้าวางกั้นเถอะแม้สมัยพุทธกาลเนี่ยบางคนไม่มีอะไรก็จี๋ข้าวกำลังดำดเห็นบพระพุทธเจ้ามาแลเอาเข้าวจีบูชาดําๆนะ แล้วก็คิดด้วยอคนอื่นมีใส่ข้าวซอยคนอื่นใส่ข้าวต้มข้าวนมกูนี่ข้าวจีดำท่านจะกินให้ไหมเนาะนางคนนั้นตามไปดูนะใส่บาตแล้วนะใส่ข้าวจีวก็ยังตามไปดูนะตามไปดูกินให้ไหมกินไม่ให้หเนี่ยนะข้าวจีเขาจนดําแล้วแค่ขอมนันพระพุทธเจ้าเห็นนะเตือนตามมาอ๋อกิน นั่งลงก็ยังไม่ถึงปุติดอกคุณพระนี้เอานั่งลงทำสาตงปูเอาขึ้นมากินก่อนน้ําตาไหลพลากเลยเกิดปิติเออบอิ่มขึ้นมาแจ่มใสเหมือนได้ขึ้นสวรรค์นี่แหละคือเขาเรียกว่าขึ้นสวรรค์จิตถึงมันได้ขึ้นสวรรค์คือมันเอบอบมันตื่มปีติ อ, อิ่มเออบขึ้นมาเนี่ยโอ้ยพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นคนช่างจิตดีเด่นวะ่ไม่ลังเกียจนะแม้แต่ทานของเราที่ไม่เป็นนี่งนะเป็นทานชั้นเลวเนี่ยท่านก็ยังยังอนุเคราะห์ส่งเคราะห์ เ อ, อวีน้ำตาไหลคือจิตมันดีแบบนี้น่แลเขาสอนนะจะรู้แจ้งไวจิตนะแต่อย่างน้นอยๆมันก็พ้นทุกมระดับหนึ่งเพราะมันเกิดปีมปิติดีๆเนี่ยฉนั้นเวลาคนทําบุญตักบาตรเขาจึงเอาอาหารดีๆไงใส่บาตรนะไม่ใช่เหลือกินนะไปใส่บาตรในพระนะเบลหนึ่งข้าวเขาก็เอาก้นหม้อน่อนะก้นหววนะ ตัดใส่สายเอาไปใส่คือทําด้วยใจดีๆอาหารก็มีไหมกินแล้วเอาไปใส่ให้มีไหมสามัยหนึ่งหลวงตาไปบินธบาต ท, ที่หนึ่งสมเด็จพระเทพจะจะเสด็จเข้าไปทหารเขาคุมเต็มไปหมดเลยในที่นั้นตอนเช้าหลวงตาเข้าไปบินบาตลองดูนะมันจะได้หรือเปล่าเขาว่าเทืที่ห้ามเข้านะเาห้ามเข้าเลยแต่หลวงตาก็จะเข้า เดินไปบาดสำรวมไม่ดูหน้าตำรวจทาหารเขาเดินไปนะมีพวกยามมันเฝ้าอยู่เลยก็นึกว่านิมนต์ท่านเข้ามาเถอะเขาไปนิมนต์ท่านเข้าไปไปแต่ที่นี่แหละตอนหกโมงเลยนะเดินสำรวมเข้าไปนะนะสมมติว่าในบาดเรามีลูกระเบิดนะ <c oughs> มันจะตรวจสอบได้มั้ยมันไม่ตรวจสอบไม่อะไรอยงี้ ดิเศติเขาร ưa, เรียกว่าเป็นพระเป็นอะไรไถึงได้เดินเข้าไปเข้าไปใกล้ๆน่ะเขาก็ไม่ห้ามที่ไหนก็เดินไปเรืๆๆ่อยๆแล้วออกมาเขากําลังกินข้าวกันนะพวสาหันนะกินข้าวแต่ <uition? S 1> ทั้งปืนทั้งอะไรเขาเต็มหมดนะพื้นที่ต้องห้ามวันนั้นปรากฏว่าได้ไก่เป็นตัวๆเลยนะะไก่ย่างไก่ย่าง ถอนคนเลยล่ะปิ้งแล้วเอามาใส่บาตเนี man, them, ่ยเขาเลื them, ่อมใสพวกทหารนะเขาซาถักวกำลังฉ <build> ันเข้ากาลัง <beat> กินข้าวเนี่ยอืมีคนมันพูดเหรอเฮ้ยไอฮาใครอาหารเรากินแล้วจะไปใส่บาตได้เร็วันไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาของคือไม่ได้นึกว่าพระจะมานะพระคุณเจ้ารับได้ไหมลุงตาก็มองดูเอ้ามันก็ยังสาดอได้อ่ะ มันยังไม่ได้กินหลายคานะเหมือนกันนะ ไ, ได้อ้วได้เยอะวัเ น, นี่นนะแต่พิดอาบันคื อ, ค อ, ค อ, คอกินอาหารที่เป็นเดนเขานี่ไม่ค่อยดีอ่ะวินัยเขาเขาไม่ค่อยให้ทำโยมจึงจึงไม่ให้อาหารนั้นเป็นเดนส่วนมากอาหารจะตัดไว้ต่างหากเตรียมไว้ต่างหากที่ให้พระเนี่ยอาหารอันแพงๆอาหารปลานีตหรือไม่ปลาณนีตก็ไม่ใช่เป็นเดนเราอ่ะไม่ใชใ่เหลือกินเน่ะ บางบ้านเ <c> ว <oughs> ลาไปบินธบาดเอาของเหลือใช้โดยเฉพาะแบบตลาดแบบนี้เนี่ยลุงตามไม่ค่อยอยากไ ป, ไปบินบาทพราะเคยบินธบาททางบาาง้านทางอะไรไปเคยร้านลูกสาวเขามันสอบหรือมันจะอะไรประมาณเนี้ยมันจะไปไปสอบไปไตื่นมาตะปะทาแป้งปะแป้งแต่งหน้าเสร็จปุ๊บกจะมาใส่บาท พ่อจะใส่บัตรพ่อเนี่เป็นคนศรัทธาเลื่อมใสอยู่แต่แม่เนี่ยไม่ค่อยน่นอะไรเขามีปีงไก่เนาะใส่ในนั้นมันช่ยชุยช่ยนะน้ามันมันจุดนะเออค่อยยังช่วในมองเห็นนะะเขาคงจะว่าใส่แต่แม่ปราเมินอ้น้าเมื่อเยาไปใส่น่ะเอาไปขายเอาขอช่องที่เหลือเมื่อวานนี่นะใส่เมอตายตู้รอดช่องที่เหลือเมื่อวานในตู้เย็นนั่นแหะเอามาใส่นะ มันก็จะอ้วกมันขึ้นอืดเลยเนาะท้องเราเนี่ตายบอดีนั้นไอ้ที่ปิ้งอยู่ในดันไม่ให้ใส่ซะ <c oughs> เรากูไม่เอาไม่แหม่กูเดินหนีซะบ่แต่มันก็จะบาปนะเขาหนี้มอนนอยประมาณนั้นนะลูกสาวก็คิดดีอยู่แต่แม่มันเป็นคนตนันีนะก็จะเอารถช่องเก่าๆใส่ในบาทเราพอใส่ปุ๊กลงดวงตากระจังหอนี่เรากูจะฟาดทิ้งว่า ไม่กินเหมือนกันนะมันเมื่อวานนี่วางฟังดูดิไอ้ที่ขายไม่ออกเมื่อวานที่เราเก็บไว้เนี่ยเอามาใส่บาตให้ท่านซะอันที่ดีๆแต่เราไม่ใส่ก็เดินมาห่างบ้านเขาพอเข้าป่าทอนนั้นเราก็ล้วงเอาฟาดเข้าป่าไม่กล้ากินน่ะกลัวเป็ดเจ็บท้องปล่อยวางยังไม่ได้ปฏิบัติทำยังไม่ถึงปล่อยวางไม่เอาฟาดเข้าป่าโอ้ยแย่เนะวายแต่บางคนก็มีหน้าเวลาไปใส่บาตรเ ไม่ล้างมือทาครีมทาแล้วก็เต้มลวงข้าวเปิดกระติบข้าวชั่วโมงหนึ่งเผื่อพระจะเดินมานะ่ะหมุนอยู่นั่นเนี่ยข้าวนะโอ้ยกูจะเคี้ยวขาดไม่รู้วันนะี้มึงคิดมามองไปไกลๆนะเห็นมันจับรอยอยู่นะแป้งอะไรมันก็เข้าไปหมดครีมนี่หัวหน้าแถวน่าจะได้แต่ลูกน้องไม่เป็นไรหรอกเพราะมันอยู่ข้างล่างไหมลวงปุ๊บเขาก็ใส่เลยแต่ของเรามันมันหมุนอยู่เผื่อมันจะมาถึงสองดวงเช็ดจนหมดอันนี้เขิมเข้าไปหมด รองตาบางทีรองตาไปถึงรองตองกูไม่เอารองตาบอกเลยนะไม่เอาเราโยมไปขออันใหม่ดีกว่าเนดะขออันใหม่อันที่มือนะไม่เอาเพราะว่าเราดูแล้วผิวมันจะดำดำเขาไปแล้วไม่ใช่เข้าจีนะ่น่ะเนี่ยโยมขออันใหม่ได้ไหมเนี่ยพูดด้วยความสำรวมนะด้วยเห็นว่า <c oughs> เนื้อหาสาระมันไม่ค่อยดีตรงนี้เปลี่ยนนั่นใหม่ได้ไหมเขาก็ูได้ไดนนะ้เพราะว่ามันเช็ดจน ม, มันอันนั้นแล้วนี่นะั่นะ บางคนมีน้ำซ้ำพอเวลาจะใส่บาตมันจะรูปหัวสก่อนเนาะมันเป็นรูปทําไมมันมีแต่ครีมในหัวมันนะมันให้ไม่เข้าติดมือแต่มันก็รูปเอาน้ามันสก่อนแล้วมันมาบีบข้าวแล้วใส่โนตาวเ้ยไม่เอาเช็ดสก่อนดิมันก็เช็ดใส่ก้นมันสก่อนเอ้วยิ่งหนักเข้าไปอีกรู้อาการมันนั้นคือคนไม่รู้มันก็ไม่รู้นะมันทํา เมื่อวที่สองคนวันนี้ก็มีโยมมาไหว้ล่นตาเพราะไหว้เสร็จล่นตาพูดอะไรให้เขาฟังไม่รู้นะเขาก็ชื่นชมสมนัดมือเขาสองมือเขไม่รู้มันเอารูปเข้าไปมันจะเข้าไปหรอมันไม่เข้าหรอกมันจะเข้าไงขนาดพูดเข้าไปในหูมันจะไม่เข้าหรือมันจะรูปใส่เหมือนเป็นรถน้ําันในวัดพอพระรถแล้วก็อุยเสยลูปใส่มันไม่เข้าหรอกมันไม่ค่อยดีนะเมื่อคิดคิดดูนะ ชีวิตก็เป็นแบบนั้นคนที่ไม่รู้ก็คือไม่รู้แต่เราคิดว่าได้บุญภารกิจฐาวริวหาเหมือกันแหละถาสปียงกว่าได้บุญสมัยก่อนเป็นนั้นหมดนะที่พูดก็คล้ายๆแบบนั้นแหละแล้วเราทําบุญทําทานบ้านนอกเนี่ยทำดนะีทำเจดีนั่นทำเจนี่เจดีนี่เจดีทรายก็มีทําเสร็จปุ๊บก็ก่อขึ้นไปทรายนี่เหมือนกาย แล้วจะมีธงปักข้างบนเห็นไหมสีอะไรคะธงนะ่ะตุ้งตุงตุ ง, ตงโอ้ส่หลายสีนะเออมีสีไอยหยางพ้องโอ้แดงขาวดำเงินมีมีนะเข้าใจไหมความหมายมันคือคือกายอันนี้มันประกอบไปได้วยความคิดหลากหลาย ความคิดแดงก็มีคิดดําก็มีคิดขาวก็มีคิดเหลืองก็มีคิดําเงินก็มีความคิดว่าหนึ่งมีความคิดรักคิดทังคิดโกรธคิดเกลียดคิดบางอันก็ไม่มีสีนะไม่มีคือคิดว่างๆก็มีเน่ะแต่มันต้องปักอยู่บนนั่นแต่อันนี้มันจะสลายอยู่เรื่อยๆได้เรื่อยๆทรายเนี่ยเขาไปปักไว้ข้างบนตุ้งก็คือมาจากคำว่าทชชักะแปลว่าถงแปลว่าชัยชนะนั่นเองชีวิตที่ชัยชนะขาวสะอาดคือชีวิตที่ปล่อยวาง ปล่อยวางเพราะทุกอย่างนี่ไม่รู้เราจะเอาชนะอะไรเพราะมันเป็นมายาเกิดแล้วมันก็ดับแต่เราไปยุ่งกับมันมากความทุกข์ก็เลยเกิดเยอะนะนี่เราก็ปล่อยวางซะไม่ต้องมีสีแต่ว่าเขาทําว่าชีวิตคนเป็นแบบนี้เหมือนเจดีทรายนี่แล้วก็มันมีสีอยู่ในนี้มีสีคือคิดหลากหลายมิติวันหนึ่งหนึ่งคิดตักคิดชั่งโกรธเกลียดโลภล้งชอบชังซะละผัด แต่สไลด์หนึ่งก็สลายไปนั้นเขาสมมุติให้คนให้รู้จักเออก่อเจดีนะชีวิตหนึ่งก่อเจดีแล้วพยายามหาของดีๆมาปักนะใหญ่มันมีแดงๆ ด, ดำๆเี็กๆ ข, ว ข, ว ข, วขาวๆแต่คนมันไม่รู้ไงพอไม่รู้รมันก็ทําแบบนั้นแหละเอาสีอะไรมาใส่ก็ได้เดี๋ยวมันไม่เข้าใจความหมายดั้งเดิมไงแต่ก่อนเสร็จปุ๊บเขาก็ได้ขาวใช่ไหมพันนะได้เข้าขาวเข้าขวคือเหมือนกับสิ่ขีขาวๆนี่ก็คือสัญลักษณ์ของ เส้นทางอริยมรรคนะเส้นได้นี่เกาเกี่ยวใจไว้ไม่เห้ห น, นีออก้องเส้นทางผูกไว้ผูกใจบันที่ผูกข้อมือนะเส้นขาวขาวนี่อจริงๆเขาก็ผูกใจนะั่นแหละโขกข้อมือมก็ไม่อยู่หรอกมันไปเหมือนเดิมต้องผูกใจเอาเส้นขาวขาวโขกแต่นี้ไม่รู้อะไรเส้นเหลืองก็มีใช่ไหมเป็นยางยืดก็มีอะไรก็มีสารพัดนะมันไปไกลละเดี๋ยวนี่ยมันไม่รู้ความหมาย เมื่อก่อนมันมีทําอะไรเขามีความหมายทั้งนั้นนะโป้ข้อโป้แขนในตาเนี่ ย, นนยแม้แตนะ่เวลาเขาสืบชะตาทําบุญทำต่างหลวงตาพูดไปเมื่อเช้าว่าเขาเห็นเขาค้าต้นโพไม้เขาเห็นนะ่ะต้นโพโพมาจากคำว่าพุทธเหมือนบุญโยประถมเนี่ยพืชอู่เป็นโอมันก็เลยเป็นโพธิมาจากคำว่าพุทธเขาให้ค้าตัวพุทธพุทธะคือคําตัวจิตเราเนี่ย เอาอะไรค้ำเอาศีลเอาสามขาค้ำเอาศีลเอาสมาธิเอาปัญญามาค้ำค้ำจิตไว้ค้ำต้นโพคือต้นพุทธะเนี่ยตัวรู้ตัวตื่นตัวเบิกบานของเราเนี่ยเอามาค้ำตัวนี้ไว้เอาไม้อะไรมาค้ำเข้าไม้อะไรสุดมากเอาไม้ยอเอไม้ยอเดี๋ยวนี้คือเอาการยกหย่อมาค้ำไว้น่ใจถึงอยู่ได้แต่โบราณเขาไม่ได้เป็นนั้นเขาค้ำต้นโพโพที่คือพุทธะให้รู้ตื่นเบิกบานตลอดเวลา แต่ความเป็นจริงต้นโพในวัดในวัดมันมันไม่มีทางล้มดอกแต่เขาให้ค้ำใจของใข่ของมันนะแหละแต่เราก็ไปแหมาเสาใหญ่เบิ่มบลาเลยรนะเอาไปค้ำหน้าอายหน้าอายนะยิ่งเอาเสาใหญ่มาเท่าไหร่ก็ยิ่งกิดเล็ดมากตอนนั้นนะโอ้ไอนิ่งงมงายจัดแบกบมาใส่รถมาตั้งหากนะมันไม่ลงหลอกอันนั้นนะแล้วไ ด, ได้ประโยชน์อะไรไม่ได้อะไรมันไม่ได้อะไรได้แต่ความเชื่อ แต่ความเชื่อเขามีปริศนาทําฝังไว้แต่เราก็ไม่เข้าใจางไงนะไม่เชื่อเราไม่มีความเชื่อแล้วเรามีแต่ความเชื่อแต่ความจริงมันไม่มีเหมือนเราว่าได้บโเนไปไหว้พระทาตุเงี้ยเอาดอกไม้ดอกบัวนั่นไปไหว้พอไหว้ปวุ๊บรับตาก็กมีแผนหนึ่งไปเก็บมาขายอีกใช่ไหมคนเข้าไปอีกก็ซื้ออีกเอาไปไหว้อีกหมุนไปมาอะไรอะไรเนี่ยทาอะไร สมมุติไงสมมุติว่าได้บุญเดี๋ยวนี้ไปตามวัดตามวาก็มีถังสังขนารนให้เช่าใช่ไหมโยมมันไม่หายไปไหนนะอัดย้ายขนมย้ายหมุนเวียนอยู่ในนี้มาบูชาเอาในวัดนี่แหละแล้วมาถวายพระแล้วก็ไปตั้งอีกมาถวายอีกอยู่ในวนไปวนมาสมมุติว่าได้บุญไงบุญมันมีแต่สมมุติทั้งนั้นนะเดี๋ยวนี้เราทำอะไรก็ทำแบบสมมุติกันไปหมุดเลยเดี๋ยวนี้สมมุติจนทั้งแม้แต่การเกิดการตายเนี่ย มันเป็นภาวะที่สมมติเฉยๆมไม่ใช่ความจริงไม่มีเกิดไม่มีตายจริงๆแล้วเนี่ยแต่เราไปติดเฉยๆติดว่ามีเกิดมีตายเราก็เลยทําบุญกันยกใหญ่ให้เพื่อเกิดเพื่อตายไงเพื่ออุทิศส่วนกุศลเพื่อเจาะจงอค่นั้น น, น, นี้มันก็เลยวุ่นวายกันไปหมดดี๋ยวนี้เพราะเราไม่เกิดการรู้แจ้งจากภายในเราจําเข้ามาไงเต็มไม่หมดอะทำบุญนี่ทั้งเหนือนี่ทําบุญเยอะมาก เขาใจใส่ดีมากบุญเนี่ยเขา ท, ทําบุญจริงๆนะฮะท่านพระก็เลยเมาบุญเลยไม่มีเวลาทําสมาธิว่ามันเมาข้าวเมาอาหารเมาเนี่ยมันมันเยอะขนาดไปบินต บ, บาตเล่นเล่ น, ล น, ลนหัวหวได้เยอะไหมครบาอาจาฮ้เยอะเลยหรือว่าพอสักน้อยถือถือว่าเยอะอ้ยถือว่าเยอะโยมก็พลอยฟ้าพลอยฝนรับเศษทพระไปไม่ได้ทันเศษนะของจริงนี่แหละ เราทำบุญํำทานดีถามว่าดีไหมดีแต่อยากให้เลื่อนระดับด้วยท่านแล้วก็มีศีลภาวนาไปหน่อยนี่เรามาภาวนาเนี่ยบุญอันนี้คนได้ยากทำได้ยากอันนี้นเขาก็เป่าประกาศไปหลายคนก็ได้ประมาณเนี้ยแต่ก็ถือว่าดีอ่ะอันนี้ก็คือสิ่งที่มันมีค่าที่สุดในเมืองนี้คนที่มีค่าที่สุดก็คือคนที่ไม่มีทุกเนี่ยแหละเป็นเพชรอยู่ในใจ เพชรเนี่ยมันมีค่าเพชรกับทองอะไรมีค่าือมีค่ามากอัไหนเพชรนะทำไมมีอยู่ค่ามากมันหายากมันหายากมันน้อยมันไม่มีไงอะไรที่หายากนะมันมีค่ายิ่งสติสัมปชัญญะยิ่งมีค่ามากเพราะมันหายากไงคนหาไม่ค่อยได้มันมีค่ามากอหลงดาเล่าเรื่องอวดหน่อย สกลนครเนี่ยมีเพชรเม็ดใหญ่เดียเ๋ยวนี้ใหญ่มากที่สุดในโลกรูไนะดมอนด์หรืออะไรยังแต่ยังไม่สู้เพชรนั่นมันมันจะเท่ากระโทนนี่มั้งหรือเท่าเข้เขาขายสามพันล้านไม่ได้ขายของพระนะโยมไม่รู้นึกว่าหินอะไรมาถวายพระในวัด มันแวววาวพระก็ไม่รู้เรื่องจะววาท่านก็นใส่ทิ้งเอาไว้ในบาตน้ํามนต์พรมน้ํามนต์ที่นี้จเจ้าวาดองค์หนึ่งตายไปแล้วจเจ้าวาดองค์หนึ่งเห็นทำสะอาดกุฏิไปล้วงดูไปเอาขึ้นมาดูพวกล้านทองล้านเพชรเข้ามาจากเจวราชเขามาทอดกระินไปเจอตกใจเพชรมันใหญ่เกิ น, นถ่ายรูปติตว้ายตายเพชรนะเนี่เพชรมันแวววาวอย่าง น, นะเอามาปรึกษาหลวงตาเฮี ย, อยเอามาใกล้นีว่าอันตรายนีย่เพชร ถ้าพระธรรมของบรีเจ้าเนี่ยเอามาได้อยู่นี่มันเพชรนะฮะรองพูว่าก็รู้พูว่าก็รู้ว่าเพชรเพราะมันจะเอาไปจดลิขสิทธิ์เอาไปอะไรนี่เขาก็ขอเราล้ลอยล้านร้อยล้านนะฮะคนถือไปนะี่ก็ยังไม่มีค่าสักบาทเอาไว้นี่กุติก็กลัวเห็นไหมนอนก็แทบไม่หลับแล้วยิ่งตำรวจเป็นคนรู้นะเพราะว่าพวกพ้นก็คือตำรวจกับทหารนี่แหละหรือไปไปจด ทะเบียนเขาที่สถานีไปเ น, นี่ยเขาก็คุ้มครองไปเอามาไว้ในกุฏิก็ยากขนาดธนาคารยังปล้นเลยอะ่ะอันนี้สามพันล้านต่ว่าจะเอาคนตีมาทุบแบ่งกันก็อันตรายสามพันล้านตอนนั้นมีคนที่จะซื้ออยู่ที่สวีเดนเนาะคนไทยนี่แหละแต่เข้าไปทำธุรกิจที่นนโอ้ยอันตรายคือคือใหญ่กว่าเพชรที่เขาเจอนะ่ที่ในโลกนี้ที่ิ่งเจอเอันนี้ใหญ่มาก เอามาให้หลวงตามือถือถ่ายมาันก็มาดูหลวงตาคิดยังไงเขาทำไม่ไม่คิดยังไงวะนะไม่อยากให้มันอยู่ใกล้โดยซ้ําไปไม่คิดอยากได้หรือไม่คิดอยากจะโ น, น, น้นอยานี้เอาไปเป็นประโยชน์โอ้ยโ อ, ยโอย้จะเป็นโทษมากกว่าแล้วะ น, นี่วะเพ็ดถ้าหลวงตาเอามาให้ญาติโยมท่านหลายดูนี่จะคิดยังไงเนี่ย ในยามนี้อาจจะมีนะเอามาวางนี่ดูโย่สิโยมเนี่ยนี่เพชรเพชเพชรเพชเนี่ยหลายคนในวางแผ น, น, นกลางคืนพาเนี่อืยไปสนทนาธรรมกับลุงตาซะหน่อยนะมั่งคืนนี้นี่ลุงตาก็ได้ดูแล้วมีเพชรอยู่ในมันมาสนทนากลางคืนนี่ยกูไม่ไว้ใจนะเ น, นี่ยเนี่ยมันก็จะไม่มีความสุขนะถ้ามันมีแบบนี้นี่เจอนะจิตมันเป็นอย่างนั้นทันทีเลยชีวิตเนี่ย เพราะว่าสมมติเนี่ยคนไหนคนเขาก็แย่งไ ม, ไม่เหมือนสิ่งที่อยู่ในใจในใจนี่ยมันไม่ได้เป็นทุกข์อะไรกับใครนะใครจะมาแย่งได้ไหมสติีะแย่งได้ไหมไม่ได้มันเป็นปัด จ, จัดตังนะพ่อทำนี่ลูกได้ไหมนะธรร ม, มะนี่มันเหมือนยาถ่ายนะเบนด้าห้าร้อยนี่พอกินในลูกถ่ายได้ไหม <c oughs> โอลันกันนะ <c oughs> อา้าวลูกตั้งใจดีๆนะ พ่อจะกินแล้วนะลูกจะถ่ายมันไม่เป็นเรามันของใครของมันนะนะจะเอาก้นไปใส่หัวซ่วมไปมันบนละเรื่องเหมือนกันเลยธรรมะเนี่ยนะของใครของมันจิตใจเนี่ยเขาดูเขาเป็นปัจจิตังไงของใครของมันนะแต่คนก็ไม่ได้ใส่ใจปานนั้นมีงานมีบุญมีอะไรต่างเยอะแยะเลยนะ บุญปะบุท่านก๋วยสลากามีไหมสลากก๋วยหรืออะไรเขาเรียกยังไงอ ส, สลากเด้อนั่น <c oughs> ตาได้ยินท่านพุดอะไรนะอาจารย์ท่านพูดเรเด็กน้ำพุทธธรรมะมันพูดไปเมือี้เช้าเนาะ เห็นวัวมันมาทานหญ้าเงี้ยนอะ้าวัวมันทานหญ้าเนาะพวกเรานี่จะดื่มข้าวถ้าวัวมันทานหญ้าได้นี่นะฟังมันพูดในทีวีทําบุญทาทานก็ดีจังอ่ะอีสานก็ทําดีนะแต่ว่ามันไม่ค่อยมีของจะทานไม่เหมือนทางเหนือทางเหนือมีนวดมีนี่ทานเนี่มาที่นี่ก็ โยมโอ๊ยหลวงตาโยมมาปฏิบัติธรรมนี่เขามาทำบุญทำทานบริจาคเลี้ยงข้าวเลี้ยงน้ำที่สะดวกสบายพระก็ไม่มีอะไรจะทานก็เลยไปหาขอมาทานด้วยกันทานทานโยมปลากระไรโยมก็กินของพระมากกว่าของโยมถือมาคนละถุงสองถุงนะหมาตัวนั้นนะ่ะมันก็ชอบไปตามวัดเพราะมันมีของทานเยอะไงในนี่มันไม่ค่อยมีนะมีไหมมีหมามาไหม มีไห้หลวงตามไม่ค่อยเห็นนะมามันมค่อยมานะมีแต่แมวสีหมอกคนี้แหละท้องแก่อยู่ตัวเดียวนี่ถ้าอยู่ที่วัดหลวงตาเลยรถสั่งให้พระขุดหลุมเขียร่งหลุมดินกบแล้วเนี่ยสงสารมันมันตัวมั น, น, นท้องแก่ที่วัดเป็นหิ้หมดแหละหมาแมวเขาใส่เข่งใส่ขยะเข้ามาตื่นเช้ามาจะเห็นหลอกอยู่ น, นี่นาวัดนะเป็นลังเลยเงาเงา ง, างาไปเปิดดูแต่ถ้าอยู่ภาคใต้ไม่กล้าเปิดนะ สามจังหวัดชายแดนนะอเ น, นี้มันภาคอีสานเปิดได้โอ้ตายวะมาครับคุ้บ้าขุดลุมอะไรนะ่ะแมวครับเนี่ยอาไว้ขุดลุมตามธรรมเนียมขุดลุมมือทิ้งลงในหลุมดินกลบนะสบายเขาบอกยือดโยมหลายคนอยู่คนไปปฏิบัติธรรมนะทำให้เป็นตัวอย่างโยมอย่าดื้อ น, นะสอนอย่างกลบนะดินกลบหมดนะ่ะ มันไม่ทุกแล้วนะ่ะทํายังไงก็ได้กลบหมดเลยยิ่งพระในวัดก็คือมีแต่นักเลงคนหนึ่งก็คือมือปืนที่ลําพูนนี่แหละไปบวชอยู่ด้วยหลวงตาชวนมาบินธบาตแต่นี่มันยังไม่กล้ามาเลยกลัวคนจําได้มือปืนนะที่ลําพูนนี่แหละอ้าวพูดไปแล้วนี่ว่าจะไม่พูดนะไปบินบัตยังพกปืนไปเลย เพราะว่ากลางคืนมันลถไปเยอะรถมอเตอร์ไซค์เขาเขารู้นะว่าพวกนี่มันไปอยู่ไหนเนะี่ยเขาสืบกันยังอะ่ะงอง่ ง, อ ง, ง, องมานะแต่มันไม่เข้าไปเพราะที่กุฏิที่วัดมันเป็นกุฏิแบบนั้นแหละที่ให้ดูก็เปลี่ยนกันทุกเจ็วันเจ็ดวันก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนพอจาไม่ได้ไงแต่ก็หวาดเสียวอยู่ว่ามันจะยิงผิดองขัวไม่ถูกองเดิมเนาะเพราะหมุนอยู่เรื่อยๆมันทุกมากนอนก็ไม่หลับกลางคืนมันก็ลุกผวานะแต่ตัวเขาก็จะมีจุดสามห้าเจ็ดอยู่ เป็นหัวระเบิดโตอะไรวะนะโรตาก็ไปดูอยู่โรตาเอาปืนมาได้ไม่ได้ว่ะป้องกันตัววะเป็นพระนี่นะเออวะผ้า น, นี่ยทำยังไพกปืนใส่ย่ามเวลาไปบินบาดก็พกเน็บใส่นี้ไปไปบินบาดอยู่ด้านหลังโรตาถ้าเกิดเหตุการณ์มันยิงได้ไม่ได้วะทำไมจะไม่ได้ว่ะแต่ระมัดระวังอย่าให้ถูกเจ้าอาวาส ท, ทั้งหน้าห่วงอย่างเดียวแต่านัอะไรอย่างอื่นก็ ดวงตาจะไม่เสียชื่อเสียงเลยเขาเฮ้ยชื่อเสียงทันสมมุติทั้งนั้นแหละว่าจะมีอะไรมั้งแต่เสียชีวิตอย่างเดียวนะชื่อเสียงไม่เสียหรอกเธอก็ดูหน่อยด้เวลาปะทะกันนะนะ่างนี้นะคือเขาขี่มอเตอร์ไซค์มาดูตลอดเวลาองค์ไหนเป็นองค์ไหนมันใครเพราะว่าไปทําสถิติหลายศพไวปแต่พวกนี้เด็ดขาดมากทำความเพียรในเดินจะบอกโอ้ยทั้งวันนักเกิรแต่เขาจะร้องไห้ตลอด เวลาเห็นเพื่อนได้อารมณ์ได้สมาธิเขาจะร้องไห้เวลาเขาไปอยู่กุฏิลุงตาไปถามศพแล้ลองไห้ที่ก่อนลุงตาไม่รู้จักว่าเขาเป็นไข่เขาก็เลยว่าลงาุงตาครับผมทําสมาธิไม่ได้ภาพที่ผมเคยฆ่าคนมันจะผุดขึ้นมาเรื่อยๆน้าตาคนเนี่ยมาเลยเขาเคยยิงแม้กระทั่งคนที่มีปัญหากับเขาแล้วไปปฏิบัติธรรมอยู่แบบนี้ในวัดนุ่งชุดขาวไปนี่ เขาก็ยิงขึ้นมาแบบนี้นี่ตูมเลยเหตุเหตุครั้งสุดท้ายคือจะไปยิงคนในวัดนี่นแหละแต่เห็นเขานั่งสงบดีนั่งแถวหน้าเขาก็เลยไม่กล้าเลยเขาคิดได้เขาก็เลยคิดอยากไปหาบวชไง่ยไปหาบวชเพราะจะยิงคนคนที่นั่นแหละแต่เพเอิญว่าเขาไปปฏิบัติธรรมในวัดไปแล้วนะจะยิงนะแต่คิดได้ก็เลยเฮ้ยเราไปบวช ด, ดีกว่าไว้ เขาเลยไม่ปวดช่วยเยนนี้พูดพ่อเลยเพราะเขาไปอยู่ต่างประเทศเดี๋ยวนี้นะพ่อไปอยู่ในเมืองไทยก็ลำบากนะแต่แถวนี้ก็มีอยู่สามองคนะ์ที่เป็นมือปืนอยู่ นัไม่ใกล้ห้ามาไม่กล้าให้มาดูแลโยมปฏิบัติธรรมกลัววิญญาณเก่ามันเกิดนะเอาโยมทำไมหลับจังเนี้ยเอาตกใจแล้วเหรอมันจะอารมณ์เสียพวกนี้เขาจะตื่นตลอดเวลาจิตเขาต้อตื่นเพราะมันระวังตัวไงทำอะไรโป้งๆปักปัง้ปงแต่าไม่ได้รูปป๊บไปหมอบทันทีอ่ะต้องระวังตัว แต่กิเลสมามันคืออย่างว่ามันไม่เข้าใครออกใครไม่ต้องกลัวหรอกโยมโอลืมบอกไปได้วยจะไปติดอารมณ์นี่แหละหมาแมวนะก็ต้อนกรบนั่นก็ให้เอาหลังขึ้นก่อนแล้วค่อยกลบนะลืมโยมคิดหน้าตามไม่ค่อยปกติเท่าไหร่ให้ยกขึ้นก่อนแล้วค่อยกลบนะแต่ไม่ได้บอกไปตอนนั้นนะึก <c oughs> ว่ากรบไปหมดเลยเนะี่ยที่โห้พระกรรมฐานลมใจลายมนะัน ไม่กล้าฆ่าหรอกแม้กระทั่งยุงก็จะไม่กล้าฆ่าไงไม่กล้าฆ่าฆ่าแต่พระฆ่าแต่กิเลสเท่านั้นแหละนะอันเนี้ยฆ่าแต่ความเป็นคนให้เหลียวเป็นพระประมาณยากลําบากฮนะหมูหมากาไก่ในวัดไม่ได้เลี้ยงนะวัดโลนตามไม่ค่อยเลี้ยงนะแต่หมามันชอบชอบเดินตามอยู่มแมวก็แมวที่วัดยาก ไม่ชีวคหนึ่งเลี้ยงแต่แมวบอกจย่เลี้ยงจะ่เลี้ยงก็ไม่ฟังเรื่องคนอ้วนเลยตบกอกหูไม่ชี้ต่างหากไหม <c oughs> หาว่าใจร้ายไม่มีเมตตาประมาณนึงคืออยากให้เดินจุกงอยากให้ทำความเพียนวันหนึ่ ง, ห น, งหนึ่งเอาไปแล้วกินข้าวก็เหลือไว้ครึ่งบาทเพราะไปป้อนแมวนี่ยนะเลยไม่ได้สมาธิกับเขากิด บ, บ้านเกิดเมื อ, องเปพาะไปประมาณไม่ฟังเลยไล่หนีไปจากวัดยากลําบากสอนยากบางคนเนี่ย พูดไม่จำานะียากกลางคนืนก็นธรรมดาเลอทำวัดเสร็จก็ทาที่ไหนได้วิ่งเข้าครัวไ ป, ไปเปิดปลากระป๋องเลี้ยงแมวอีกตั้งหากอยู่นั่นะมันหนักหนาสอนนั้นหมาแมวเนี่ยมันประจบสอพอเก่งไงมันอยู่ใกล้คนนะคนก็เลยติดมันมีหมาเนี่ยเดี๋ยวนี้ปัจจุบันก็เห็นนะ พระไินทาบาทยังได้เดินเท้าเปล่าแต่หมามันขึ้นนั่งรถมอเตอร์ไซค์ด้านหน้ามือจับนั้นใช่ไหมหรืออยู่ในหน้ารถยนต์ก็มีนะหมาแมวเขาเนะ่ยมันเครดิตมันดีกว่าพระเขาให้เกียรติมันพันนั่นพันนี่เนี่ยเออไปที่ไหนที่ไหนลุตาก็จะสอนวิธีตอนทำหมาเคยเห็นไหมตอนไม่ต้องใส่ชิพใส่เลยนะเขายางรัดจุบเข้าไปเนี่ยมันจะขาดไปเลยหรอกไปทําดูนะญาติโยม มันยากได้หลายคนนะเขาไปท้าไปสกลนครเขากลัวได้กินหมาจริงๆนำหน้าแบบพวกเธอไม่มีทางอะ่ะเพราะว่าเขาเอาเลี้ยงแต่แขก VIP เพราะมันแพงมันแพงกว่าหมูสักสามเท่ามันไม่ได้กินง่าย ใครได้กินถือว่าไม่ธรรมดานะมันไม่ใช่ง่ายเท่าไหร่นี่มันยากมากพ่อเขาเรียกว่าวัวฟ้าวัวสวรรค์นะเ น, นะเป็นเนื้อที่มาจากสวรรค์มันไม่ได้ใช่อยู่ตื้นๆ <c oughs> แต่วิธีวิธีตอนเนี่ย ลุงตาเห็นเข้าตอนเห็นมาจากต่างประเทศด้วยแถวเกาหลีด้วยแล้วก็ของของเราจากจกเพชรบูรณ์เนี่ยเขาก็จะทำแบบนี้ทำง่ายคือจะไม่ต้องลงทุนเหมือน อ, อะไรอ่ะคนกรุงเทพนะ่ที่เขาทำกรุงเทพในีน่ตัวหนึ่งตัวหนึ่งเสียงเงินเท่าไหร่ยูนามัย เ, ยเสียงเงินเท่าไหร่เอา้า มันลงทุนไม่ต่ำกว่า2องพันสามพันนั่นี่ราคานะทําต้องผ่าตัดต้องอะไรออันนี้จะไม่เลยชาวบ้านนอกก็เป็นแบบนั้นแหละมันนอกเวลาเขาตอนนะเขายางรัดหน่อยแล้วมันจะขาดไปแล้วมันมันจะหายไปเลยเนี่ยแล้วมันเป็นขนที่ขึ้นปกติเหมือนตามตัวมันประมาณสักสี่วันก็จะหลุดไปเลยองตาแนะนําหลายคนอยู่มันบอกท่านคนรัดของท่านลองดูดิเหมือนวานเอ้าไอ้หาเนี่ยบอสอนที มันก็จะเจ็บดิเป็นว่ายึดมั่นถือมันเนาะ <c oughs> นีะ <ๆ S 1> น่ก <ๆ S 1> ็จริงจริงก็แบบนั้นแหละหมาชาบ้านเขาเขาตอนแบบนั้นแล้วไม่ได้เสียเงินก็สะดวกสบายมันไม่ร้องนะนธรรมดามันบวมเหนื่อยรามันก็จะขาดออกไปเลยจะ ง, ยง่ายง่ายลองไปทำดูนะญาติโยมแต่ส่วนมากมันมันไม่ค่อยทำเดี๋ยวนี้มันไปหาหมอหมา เนาะสัตว์ประเภทนะทำให้เดี๋ยวนี้สัตว์ประเภทไม่ค่อยได้ทำอย่างอื่นหรอกไม่ได้ทำวัวทำควายทำช้างทำมา้าเท่าไหร่ดอกหมากับแมวเท่านั้นแหละที่เยอะสัตว์ประเภทอื่นไม่ค่อยมีอ่ะไม่ค่อยมีมันเป็นสัตว์ที่อยู่ใกล้ชิดมนุษย์าหมาเนี่ยที่บ้านมีไหม คุณครูมีไหมที่บ้านสิกี่ตัวสองตัวนะตัวหญิงหรือตัวชายตัวผู้นะแลหลายคนไปปฏิบัติธรรมไปไม่ได้ไม่มีใครเอาเข้าให้หมางานนี้ไม่รู้มีมาหรือเปล่าในโยมที่เคยติดหมานะไปปฏิบัติที่เชียงใหม่ ปีก่อนนะ่ะใครซื้อหมูจรนจัดกับหมาตัวหนึ่งเลี้ยงไว้หมูนั่นใหญ่มากเกือบ200กิโลใหญ่มากแล้วก็ขายคนอื่นพอขายไปก็ต้องไปตามไปดูนะเดือนหนึ่งไปตามไปดูพอเขาเลี้ยงไม่ดีซื้อคืนมาอีกเป็นผู้หญิงเป็นแม่ค้าในตลาดแต่ติดหมูติดหมูกับติดหมาหมาก็เหมือนกันนะเขาติดมาก เราตาไม่ไม่ได้ยุ่งกับหมูหมานะก็มีหนังสติ๊กเอาแหลนะยิงเอาคือยิงหมานะี่ยิงครั้งเดียวแต่อย่ายิงอย่าให้มันถูกขาถูกอะไรมันมันจะเจ็บคือยิงถูกตัวมันอนะถ้าองนั้นมันจะมาจมอยู่ในวัดนานมันไม่ออกหนีพอยิงปุ๊บมันก็จะวิ่งมันก็จะจำเพราะว่าสอนหมาเนี่ยมันไม่ได้ใช้เหตุผล มึงจะเข้ามานะแหล่งศาสนานะมันไม่ได้นะมหมาคนละมันเป็นสันชาตยานสัตว์เนี่ยนะแม้แต่กับข้าวที่วางอย่างนี้ก็บอกแมวหมาเนะี่ยมึงจะกินน้ําบาปตายเลยนะันี่ตกนรกนะเอเวจีนะมันไม่ฟังแต่ถ้าเอานังสติปอกทีเดียวนี่จำเลยนั่งอยู่ข้างล่างไม่ขึ้นคือสัตว์อยู่ด้วยสันชาตยานก็อสอนด้วยสันชาตยาน คนเนี่ยอยู่ด้วยปัญญาเ้าสอนด้วยปัญญาแต่บางคนมันหนาเนี่ยนะเขาใช้วิชาสัตย์ยถาฉานสอนเหมือนพวกเอาไปสอนอยู่ตามพกตามตารางอะไรประมาณนี้เขาเรสอนแบบนั้นคือ ด, ดูดูที่คนว่าคืออะไรแต่ทีนี้คนเนี่ยเอาวิชาสอนคนในไปสอนสอนสัตว์เนี่ยสอนสัตว์นะ อ, อาศัยเหตุผลเอาไปมาคนเลยตกเป็นทาตสัตว์ คือความรักมันหลุดไปหมดนะให้ความรักกับสัตว์กลาเป็นจิตอ่อนไปเลยอะคนเนี่ยติดนกติดหนูติดหมูติดแมวเลยกลายเป็นขวางทางนิพพานตัวเองเลยแต่เขาก็เรียกว่าเมตตานะเมตตายิ่งไปอยู่ในประเทศจีนนะมาประเทศจีนเขาพูดแต่เรื่องนี้แหละเรื่องเมตตาเรื่องเจเรื่องเจอเรื่องมังสวิรัตเรื่องโอยบุญบายไปหมดแล้วก็ ก็ติดอยู่กับเรื่องประเพณีพิธีกรรมนี้เลยไม่รอดสักคนโอกาสที่จะเห็นทำยากมากสติก็ยากเพราะเลยจิตมันจะผูกพันกับเรื่องพวกนี้อยู่ตลอดเวลาจิตเลยกลายเป็นจิตอ่อนจิตไม่เข้มแข็งปล่อยวางอะไรก็ไม่ได้กลัวที่จะบาปจะกรรมอะไรอยู่มานรื่องเรื่องที่น่าสงสารมันก็กลายเป็นลัทธิขึ้นมาลทัทธิจิตอ่อนลทัทธิอะไรแบบแบบนั้นนะ ทนคนปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่คนประเภทนี้จะดื้อด้านกับมนุษย์ด้วยกันเองแต่จะอ่อนไหวกับสัตว์นะแต่กับมนุษย์ด้วยกันนี่จะทิฐิมานะมากพวกเนี้ยแต่อ่อนไหวกับสัตว์มีเมตตากับสัตว์พวกเนี้ยแต่กับคนด้วยกันเนี่ยยื่อยิงจองหองพวกเนี้ยเวลาพูดเวลาคุยเนี่ยทิฐิมานะสูงพวกรักษณ์เนี่ยคือจิตมันคนละรูปแบบ จิตที่จะมาพัฒนานะคือจิตทที่อ่อนโยนกับมนุษย์ทั่วไปเป็นเบื้องต้นแล้วค่อยเผื่อแผ่ไปกับคนอื่นแต่นั้นจิตจะเป็นกับสารปฏิกันเราไปสังเกตดูนะจิตเราเป็นยังไงแต่ละคนเนี่ยคือธรรมะเนี่ยจริงๆก็คือธรรมชาติแต่ธรรมะจริงๆก็คือที่อยู่ใกล้ๆคือธรรมะก็คือคนนั่นแหละ ถ้าเราปฏิบัติต่อคนยังมีทิฏฐิมานะลาค้าตัญหาเนี่ยไม่ต้องห่วงถึงปฏิบัติต่อสิ่งอื่นดีขนาดไหนก็ตามจิตมันไม่ขึ้นจิตมันไม่ขึ้นยกมันไม่ขึ้นดึงมันไม่ขึ้นมันติดไม่ได้หมายว่าจะเผื่อแผ่ตัวอหนึ่งแล้วมันจะเป็นตัวหนึ่งนะมันยากถ้ามองเห็นคนยังต่ํากว่าสัตว์อยู่เนี่ยจะยากลำบากมันต้องเห็นคนเนี่ยมีคุณค่ามากกว่าสัตว์ แต่คนทั่วๆไปมันจะมองเห็นสัตว์มีคุณค่ามากกว่าคนมันให้เกียรติอะไคือจิตมันอยู่ต่ำระดับสัตว์ที่ได้ฌานน่ะอยู่แบบระดับต่ำระดับแบบนั้นมันก็จะคุกคีอยู่แบบนั้ น, นะมนไมนสามารถยกระดับมันขึ้นสูงได้ยมลงไปไล่ๆดูดินคนไหนที่ชอบสัตว์ได้ฉานเนี่ยแ<ม>นวความคิด ของตัวเองนะกับมนุษย์ทั่วๆไปมันเป็นยังไงส่วนมากจะดูถูกคนดันดีเลยแต่เมื่อไหร่ที่คนให้เกียรติคนเนี่ยสัตว์ก็คือสัตว์มันจะอยู่แบบหนึง่งสัตว์มนุษย์สัตว์ดิรกชันเนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมันที่วางเกาะพองมันโดยคือมันเป็นความเข้าใจอะแบบหนึง่ง อย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยปลากรว่าท่านเลี้ยงหมาไหมมีไหมไม่มีไม่มีเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวนะแม่แต่เลี้ยงช้างเลี้ยงลิงก็ยังเป็นปัญหาอยู่ว่าใช่หรือไม่ใช่นะเขาไปวาดภาพช้างในป่าลีไลพวกลิงพวกอะไรนี่จริงจริงคือท่านสอนพระนั่นเองสอนพระให้รู้จักพวกที่ทิฏฐิมานะมากไม่เชื่อฟังดื้อด้านนี่มันเหมือน ช้างพวกใจหล่อแหละเลวไรนี่เหมือนลิงจิตคนเนี่ยันพูดยากเขาก็ไปแต่งเรื่องแต่งเล่าอะไรมากมายผูกพันไปหลากหลายชีวิต จ, จริงเป็นแบบนั้นอนะ ค่นพอมนุษย์มีมีมีความรู้สึกแบบนี้มันจึงแบ่งฝักแบ่งฝ่ายแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งเกรดแบ่งอะไรไปนะสังคมมนุษย์ก็ตกต่ำลงไปเรื่อยแต่ถ้ามองเห็นเอออันนี้ก็คือชีวิตหนึ่งนะเนี่ยเราจะพัฒนาขึ้นมาไดนะ้แต่ว่าการพัฒนามนุษย์นี่ก็มีมีระดับใช้ขนบธรรมเนียมใช้วัฒนธรรมใช้ศิลธรรมใช้ปรัชญาใช้กฎหมาย แต่มนุษย์ที่สมบูรณ์แบบยิ่งเนี่ยเขาใช้ปรมัติสัจจะคือฝึกให้เข้าถึงธรรมชาติของชีวิตของจิตล้วนๆไปเลยอะ่ะพวกนี้จะไม่ไม่เกี่ยวกับเรื่องข้างนอกนะไม่เกี่ยวกับศีลธรรมอันเนี้ยคาว่าไม่เกี่ยวกับศีลธรรมคือหมายคว่าไม่ต้องเอาศีลธรรมมาบีบบังคับไม่ต้องเอาวัฒนธรรมมาบีบบังคับเพราะเขาเห็นความคิดเขาอยู่แล้วนะ่ะเขาดับได้อยู่ภายในแล้วมันเป็นธรรมชาติแล้ว เขาไม่กลัวบาปกลัว ก, กรรมพวกนี้ยปฏิบัติธรรมพายุปรรตัวอภยุปรรตัผู้ทําชั่วบางคนทําชั่วเพราะกลัวบาปกลัวกรรมกลัวบาปกรรมนะที่ทําชั่วเนี่ยแต่ผู้เขาพ้นทุกข์แล้วเขาเห็นธรรมแล้วเนี่ยเขาไม่ทําชั่วแต่เขาไม่กลัวบาปกรรมไม่ได้เกิดจากการกลัวกรรมอย่างโยมไม่กล้าทำนั้นอย่างบอกว่าฆ่าหมานี่โยมไม่กล้าฆ่าเพราะอะไรเพราะกลัวมันคิดมากใช่ไหม กลัวเราเนี่คิดมากมันเป็นภาพตึงอยู่ในจิตนะี่ยนี่แหละคือการกลัวบาปเวลาไปด่าคนนั้นกลัวเขาด่ากลับเนี่ยกลัวเขาว่าเนี่ยพวกกลัวบาปกลัวกรรมแต่พวกที่ปฏิบัติทำเขารู้แจ้งแล้วเขาไม่กลัวเพราะมันไม่เข้ามาทําอะไรจิตเขาจิตเขาไม่ได้เก็บแบบนั้นแต่เขาไม่ทําบาปแต่ไม่ใช่เกิดจากความกลัวคนเนี่ยจิตมันคนละสภาวะ แต่บางที่เรานึกนะนึกว่าอย่างนี้มันจะเป็นแบบนั้นนึกแบบนั้นจริงๆเราเดาใจผู้ปฏิบัติธรรมไม่ใชเดาใจผู้เข้าถึงธรรมแต่ความจริงมันไม่เหมือนที่เราคิดนะเขาจะอยู่เหนือพวกนี้ยหนึ่งเหนือความคิดเหนืออารมณ์ที่เราเข้าใจนั้นคนปฏิบัติธรรมมันจะมีอะไรที่ อ, อที่หลากหลายมิติ ในภูมิของจิตเนี่ยที่เราสามารถเข้าใจสัจธรรมได้ที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้เรามีปัญหาเนี่ยปัญหาในในระดับจริยธรรมเดี๋ยวนี้ปัญหานะอันนั้นถูกอันนี้ผิดอันนั้นเราสมมุติว่าดีอันนี้ว่าชั่ววันนั้นนะพราะอะพราสังคมเราสมมุติขึ้นมาเฉยๆสมมุติขึ้นมานะ อันนั้นของกูอันนี้ของมึงอะไรอย่างงี้แต่ถ้าเข้าถึงใส่จะทำโดยความเป็นจริงมันไม่มีของใครไม่มีดีไม่มีชั่วมันไม่มีอะไรโลกเนี้ยดังที่พระพุทธเจ้าท่านพูดนะโลกนี้คืออนัตตาแต่ถ้าจิตมันเข้าถึงอนัตตาไม่ได้มันก็ต้องอาศัยพึ่งพวกนี้ไปเรื่อยๆนะแล้วบางทีไปเอาคําสอนเรื่องอนัตตามาคุยกับจิตของของคนที่เป็นผานอยู่เนี่ยจะลำบากเาะฉะั้นคน คนสมมุติเนี่ยไปคุยกับคนที่เข้าถึงธรรมจะคนละเรื่องกันงั้นพระพุทธเจ้าบอกว่าพิสุสอนธรรมแก่อนุปัมบันคือคนโง่โงเนี่ยคนไม่รู้สักธรรมะเนี่ยถ้ามันเกิดเถียงกันขึ้นมาเกินหกคำเนี่ยให้หยุดถ้าไม่หยุดถือว่าเป็นอาบัติพระผู้สอนนะพอหนึ่งออกไหมคือคนจิตมันคนละภาวะกันนะ่ะ นั่นเขาจะไม่ให้ไม่ใ ห, ไให้ไม่ให้ถกเถียงไม่ให้ถามฉั้นพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเวลาท่านแสดงธรรมเนี่ยถ้ามีคนพูดขึ้นมาปุ๊บเขาให้หยุดเลยในขณะแสดงธรรมเนี่ยยิ่งถ้าพูดเกินหกคำเนี่ยหยุดไม่ให้พูดไม่ให้คุยนะเราไปเห็นนะบางวัดเนี่ยเวลาท่านแสดงธรรมถ้ามีคนพูดท่านหยุดเลยหยุดโดยเราไม่รู้เลยไม่รู้เอ๊ะทำไมต้องหยุดเนะี่ย ไม่รู้เพราะอะไรท่านถือสีนเข่งคัดไปถือสีของท่านนะสีนในนี้สีที่สองรอยี่ิบเจ็ดมันจะมีข้อหนึ่งไนอะ้ที่ว่านี่เข่งคัดไปเลยกลายเป็นความไม่เ อ, อื้อเฟื้อคือจริงๆก็คื อ, อจุดประสงค์คือเขาต้องการให้ผู้ฟังตั้งมั่นหนึ่งหละ แต่ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมจริงๆเนี่ยเราอยากให้ผู้ฟังมีอารมณ์ร่วมแต่ทางธรรมว่าจิตมันไม่ตั้งมัน่นแล้วผู้เทศจะไม่ตั้งมัน่นผู้ฟังก็ไม่ตั้งมัน่นจิตมันเกิดภาวะหย่อนยานแล้วผลมันคือไม่ใช่ไปสู่การดับทุกข์เปิดเบาๆก็ได้บางทีคนทั้งหลังนั่นเขาก็นั้นหงายใบมันขึ้นหน่อยก็ได้สายไปไกลๆเอายกขึ้นยกใบมันขึ้นดันขึ้นใบมัน นดอานเพมอืมอืมอันนัยากนะเทคโนโลยีนี่มันถูกใจไม่ถูกใจเลยบางคนก็เป็นหวัดเป็นในหลวงพ่ออรตมานะอยู่ด้วยจาม ถ้าพัดลมหนังๆในท่านไม่ไหวเวลาเทศนะถูกพัดลมไม่ค่อยได้อ่อนเป็นโรคอะไรโรคแพ้ภูมิมันแก้ปัญหาได้โดยยกคนที่ไม่ชอบไปนั่งอีกที่หนึ่งนั่นเอง เอาไปตั้งไว้ที่หนึ่ ง, งก็ใช้ได้แต่ไม่รู้นะพวกข้างหลังอาจจะไม่ชอบด้วยก็ได้นะชีวิตนะเขาเปรียบเทียบชีวิตนี่ไว้หลากหลายชีวิตหลากหลายบางทีเขาเปรียบเทียบชีวิตเนี่ยมันคนเรามีอายุเท่าไหร่ทั้งหมดนี่ประมาณเท่าไหร่ เขาพูดนีนะอ า, อายุพุทธศาสนาเนี่ยสมมุติว่ามี 5,000 ปี 5,000 ปีเนี่ยเท่ากับร้อยห0 0พปีเท่ากับ 100. ร้อยถ้าลดลงศาสนาพุทธเดินมาได้ร้อปีหักจากร้อลงมาห น, นึ่งเดี๋ยวนี้ศาสนาพุทธเดินมาได้เท่าไหร่แล้วสอบว่านัน 100, หักลงมาเท่าไหร่ เหลือเท่าไรเหลือเท่าไรเหลือ ก, กี่ปีเดี๋ยวนี้หักไปเท่าไรหร่เอาสองมัหนงร้อยมเท่าไหร่เอ้าถามครูก็ได้นีนี่คณิตศาสตร์าไร ร้อยหักหนึ่งเออสองพันหก็มีกี่ร้อยอยี่สิบห้าร้อยใช่ไหมก็หักไป25เหลือเท่าไหร่ยี ห, หัก100ยไ้เจ็ดสิบโดยเฉลี่ยมนุษย์จะประมาณนั้นแหละ เดี๋ยวนี้น่ะชีวิตมนุษย์ประมาณ75 75ปีนะอายุไม่เยอะนะกลับหนึ่งประมาณ1 0อนึงนี่แหละนะอายุน้อยทีนี้อายุคนประมาณเนี่ยเดิมทีเขาบอกอายุคนนี่มันประมาณ100ปี รลยปีนี้เขาก็เปรียบเทียบว่าแต่ก่อนตั้งแต่แรกแรกที่ยิงลงตาพูดถึงวิวัฒนาการของมนุษย์ในระบบาการมีระบบพัฒนามาจากอะไรนะ <c oughs> สุริยะจั ก, กรวาล น, นี่นะ <c oughs> ก็ได้นะแต่ไม่พูดไปอ่ะพูดอเอาใกล้ๆตัวนี่ นิทานปรมปลานะเนี่ยนิทานนะเนี่ยนีนิทานไปว่าห้ามรับประทานนะนี่ไปว่าไม่มีออกคือคนเราเนี่อายุร้อยปีแต่ได้มาจากไหนแต่ก่อนไม่มีดวงจันทร์ดวงทิศเขาเสกมามีโลกเกิดขึ้นมีโลกใบนี้เกิดขึ้นอันที่สองพอได้มีโลกแล้วปุ๊บก็เสก สองสามีภรรยามาเป็นตาแก่นะอายุแปดสิบแล้วละนมยานนหมยหญ่คนนั้นนะสองพ่้เมียแต่ก่อนเขาไม่มียังวากโก้นะมันคนแก่เนะี่ยแต่ก่อนนั้นนะไม่มีมีแต่ผ้าผา้าขาวๆนะพ้าเช้ตัวเขามีผ้าไปผ้ามาห่อไว้เฉย อยู่ด้วยกันสองตายหญอยู่จนเท่าจนแก่ก็ไม่มีลูกมีหลานก็โคกวนวายก็เลยไปขอกับพระผู้สร้างโลกใครคือผู้สร้างโลกมันเป็นปิดสนาธ ร, รมซ้อนปิดสนห์รรนะแต่วันนี้ไม่แปลให้น ะ, นะก็ไปขอจากพระพรหมอะพรหมผู้สร้างโลกทำไมจึงเรียกว่าพระพรหมพระพรหมคือใครก็ได้ที่มีเมตตากรุณาเมตตาเบกขาเนี่ยพรหมมันมีสีหน้านะ หน้าท่านี้ก็มีหน้าทางท้ายทอยก็มีทางหน้าก็มีทางซ้ายก็มีคนไหนที่มีธรรมะเป็นเครื่องบริหารชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่าพรหมวิหารยิ่งถ้าเป็นผู้บริหารเนี่ยเขาเรียกว่าธรรมะของผู้บริหารก็คือพรหมมวิหารเมตตามีหน้าเมตตาหน้ากรุณาโมทิตาอุเบกขาเอาไว้ในใจหน้าคือหน้าที่นะไม่ใช่ใบหน้านะถ้าใบหน้าเนี่ยมันจะนอนยังไงเนี่ย มันไม่ทับจมูกตายหรือหายใจพรมทางเนี้ยอนั้นมันไม่ใช่ก็ไปขอจากพระพรมยายสองตา ย, ยายไปขอพอขอมาเป็นเพื่อนนะชีวิตโอ้ยทำมาหากินเ็ยยุ่งยากแต่ก่อนเขาให้เท่าไหร่คนเนี่ยชีวิตเดิมเดิมมันเสกมันให้ สามสิบชีวิตมนุษย์จริงๆเนี่ยสามสิบปีเองชีวิตของเราเท่ๆนะสามสิบปีเนี่ยแต่มันก็ว่ามันทำงานหนักมันไม่มีใครช่วยทำการทำงานใครอยากได้เพื่อนบ้างช่วยทำการทำงานให้ท่านพระพรหมนี่โปรดเมตตาหามาให้ด้วยหาคนหาอะไรก็ได้มันช่วยทำงานพระพรหมก็เลย เสกควายยังไงเอืเ ม, มึงจอเออเออเออเออเอาเออเอาาีเออเออเออเออเออเออเออเออเ ร, Buffalo, นะรอเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเออเอเออออเอเออเออเออเออเอ่เออเออเออนออเออสมอเอนะนนะออเออเออเออเออเออเออเออเออเอเออ แล้วตายนะ่ะควายอายุมันยี่สิบกว่าปีนะพวกเด็กๆมันไม่รู้จักควายหรอเราต้องถามคนระดับเราจึงเข้าใจคองควายต้องแต่เพราะเดี๋ยวนี้มันมีแต่อะไรนะออืรถคูโบต้าเนี่ยรถไถรถอะไรเราพูดเรื่องควายเนี่ยมันต้องระดับผู้ที่อายุระดับไล่เรียกกับควายมันงงว่าอย่าพูดบ่อย เ, อเนาะมัน ประมาณ 20-30 มัน30ปีควายนะมึงจะไปเป็นเพื่อนมนุษย์นะช่วยเขาทาการทำงานนะช่วยมนุษย์เขาทำงานนะมึงชื่อว่าควายนะมีอยุสามปีไปกำลังเสกกาลังจะเป่ามนุมมล ก, กุกุ๋ยเนี่ยควายโอ๊ยดิๆๆๆ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ่ดดิอดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดิิ๊ดดิ๊ดดิ๊ดดินดดิ๊ดดิ๊ดดิ ลาบจิ้นทั้งเหนือในลาบจิ้นควายผมไม่เอาอ่ะเอาเท่าไหร่ผมเอาสิปีพอถ้าจะให้ผมไปเนี่ยคนมันก็รูว้ว่ามึงไม่เอาใช่ไหมเนี่ยมันจะทํำยังไงมึงไม่เอากูขอนะเนี่อยอายุที่เหลือเนะี่ยน่ะมันจะขอมันได้เธอเดิมมันเท่าไหร่เท่าไหร่แล้วสามสิบ เออมันเอามาเพิ่มอีกเท่าไหร่สาวยี่เป็นเท่าไหร่ห้าแล้ว50เอามันควายวเอาไปเถอะเอาไปเถอะอยได้เอาไปเถอะเอาละเอาปีมารับใช้มนุษย์ไทไรนาพอแล้วตายก็ตายแล้วให้อไป สังเกตไหมชีวิตพวกเรา30ปีในโลดแล่นก็นดีจังอะตื่นมาทําอะไรเนี่ยอิสระเสรีหนึ่งปีสองปี3ปีสปีถึง30ปีเนี่ยสบายนะเหมือนเหมือนชีวิตเราเนี่ยอิสระมากแต่พอยี่สบเก้าสาปีละเอาละทีเนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่ชีวิตเราไม่ใช่อายุเราแต่เราไปเอาของใครมาของควาย สู้ตายเลยนะอายุสามสิบถึงห้าสิบปีเนี่ยเอาเป็นเอาตายเยเนี่ยเอาจริงเอาจังกันเหลือเกินน่ะหาเงินหาของหามรุมหมังคำดุดันงัดเต็มที่เอาคุณครูนี่อายุเท่าไหร่แล้วอายุอะไรฮะหกสิบสองเลเหรอเนี่ยมันพูดกลัวได้เป็นควาย เลยไปสองปีแล้วนี่ข้าวไปหนะนะกสิบสองนั่นนะเกษียณแล้วเนี่ยกเกษียณเอาฟังดูที่มันอายุใครกันแน่เนี่ยหาเงินหาทองเข้าของแไทยไล่ธนาเห็นไม่ควายแบกมากหนักเอาเบาสู้นะอาชีพขวาชีวิตควา ย, ววายมันไทยมากมันสู้ไทยอะ่ะ แต่พอหาไปหามาก็ไปขออีกละ่ะโอ้ยหามาได้แล้วทรัพย์สมบัติก็ได้แล้วข้าของเงินทองก็ได้มาเยอะแต่ไม่มีใครดูแลรักษานะก็เลยไปขอกับพระพรหมพระพรหมก็อา้าวมาอีกแล้วเหรอหนิอยากได้อะไรโอ้ยทรัพย์สมบัติมีได้แล้วหาก็ได้แล้วอยากได้ผู้ดูแลรักษาทรัพย์สมบัติหน่อยขอหน่อยขอหน่อยให้ใครก็ได้ให้อะไรเขามาดูแลพระพรหมก็นะล้วงเข้าไปในรูจมูกดึงมาปลุกเสกเอา้าว มึงจงมีชื่อว่าหมานะนะไอจอเนี่ยไปเป็นผู้รับใช้มนุษย์เฝ้าสมบัติให้เขานะเฮาตะพึ้นตะพื้นนะอายุสามสิบปีมันว่าโอมันไม่เอาอะ่ะมันเอาแคสิบปีหมาจุบประมาณนั่นแหละเนาะนะมาประมาณนั้นแต่ว่ามันหมาทุกวันนี้มีเกียรติมากนะน่าเป็นอยู่นะ น่าเป็นเนี่ยหมาดุวันเนี้ยเราให้เกียรติมากหมาตัวละเท่าไหร่หืมหมาตัวละเท่าไหร่ราคาล้านมีไหมมีนะนี่เขาออกรายการหมานะบริษัทฟ r e ด d มเอเชียนะอันนั้นก็ลูกศิษย์วัดโส ม, มนัสจัดรายการประกวดหมาตอนนั้นที่เขาออกช่องเจ็ดนะหมาแลา้วก็ วิธีฝึกหมาเลื่อย ห, หมาเนี่เขาเป็นบริษัททําหมาทําอะไรประมาณเนี้นะหมาต่างประเทศหมาที่มันพูดจาภาษาหมาคุยกับหมารู้เรื่องคนเนี่ยนะเป็นจิตวิทยาแบบอะไรเนี่ยเขาเขาจะฝึกไปนั้นให้คนนะคุณแหม่มก็เป็นคนหนึ่งนะที่มาขับเคลื่อนโครงการเนี่ยในนี้ยเขาก็จะรู้จักเขาคุณพันธเข า, าเนี่ย เขาจัดโชว์นั่นโชว์นี่อยู่เรื่อยๆนะมามันไม่เอาอายุสามสิบมันเอาจะกี่ปีนะสิบปีเราก็เอาซะเนี่ยจากห้าสิบไปถึงเจ็ดสิบก็อายุหมาพฤติกรรมมันจึงหมาหมาไง <laughs> อหเห็นไหม ม, มันสังเกตนะมันจะเห่าลูกเห่าหล่ะเนะมึงอันนั้นคือโบอกเก็บนี่อันนั้นไม่ได้ดูแลนะ่นนนนะเอครูก็จะอาลุเอออะไรนะส่วนมากมันจะเป็นอารมณ์ไวยทองนะอันนี้นะจริงจริงไวยทองมันไม่มีหรอกคือมันเป็นอารมณ์ที่สะสมตัวอุบาทว์ในเราคิดว่าเป็นของเราของเราของเราอันนั้นกัของเราทีาาา่พอถึงจังหวะหนึ่งมันกรเสียมันต้องเฝ้าสมบัติอื้ม <laughs> เอาสมัติแม่เฝ้าบ้านน้าแล้วก็เฝ้าบ้านเฝ้าเรือนแล้วนะเฝ้าสิ่งเฝ้าของนะเฝ้าลูกเฝ้าหลานเฝ้าเงินเฝ้าทองเฝ้าตู้เพราะนั้นแหละไม่แต่างห่ยหนึ่งมกตินะมึงเยาวไปนันี่ของกูนะของกูทําไมหายไปแล้วอะไรประมาณนั้นะเฝ้าจะชีวิตเหมือนหมาเลยนะคือเขาเปรียบเทียบเอาไว้ดีมากพวกนักปราชญ์โบราณเนี่ยเขาทํานิทานเอาไว้นะดีมาก เป็นอย่างนั้นไหมเขาไม่ให้ไปทําการทํางานแล้วนะแต่ก็เห่าลูกคนนั้นเห่าลูกคนนี้นะทำไมไม่มาบ้านเดือนเมษาพี่ใหม่ไม่ปิ๊กเลยนะเนี่ยมัน่าจะมาเยี่ยมแม่เยี่ยมพ่อมานล้วมันเห่าคนนั้นเห่าโอ้ยไม่อย่างมาบ้านแล้วแม่ว่าแม่จมแม่บ่นเขาไม่ว่าแม่เห่านะแม่บ่นแม่จมถ้าว่าแม่เห่าเนืรู้นันดีนะกูไปปฏิบัติธรรมกูรู้มึงหมายถึงอะไรเนี่ยกูกูยังไม่ถึงนะนี่นะ ลูกมันก็ยังไม่รู้เรื่องแม่พูดอะไรผมก็ไม่รู้นะจริงๆเรารู้มากกว่านั้นอย่าไปใช้อายุมันมากนะักสลายอายุของอันนี้ออกไปทีนี้ก็อยู่ก็มีแล้วตัวเห่าสมบัตินี่เห่าแล้วเห็นไหมมึงยาเด้อเนี่ยมึงต้องมาดูแล ก, กูในีตอนกูแก่ก็องทำถ้ามึงไม่ดูแลกูมึงจะคิดว่ามึงจะได้มรดกกูนะเนี่ยมันเห็นไหมมันเฝ้ามรดกอยู่ไงมันจะแบ่งเนี่ยใครดูแลพ่อแม่ดีมันก็แบ่งให้ไม่ไปดูแลมันก็ไม่ให้นะ ความคิดมันเป็นอย่างนั้นน่ะอยู่มาอยู่มาก็เฝ้าสมบัติก็มีแล้วหาเงินหาทองไปแล้วมีแล้วทีนะี้ตอนแก่ๆในโลกหลานเขาทิ้งหมดเลยไม่มีใครอนะตอนหนุ่มตอนเด็กก็เป็นหนึ่งแต่พอแก่มาเหมือนเด็กกินแล้วก็บอกว่าไม่ได้กินบางทีกินแม้กระทั่งอุจจาระตัวเองอนีเป็นไหมมีไหมมีนะแก่มาแล้วเป็นนะยิ่งปัจจุบันเนี่ยคนมีแนวโน้วมว่าจะอายุยืนขึ้น ญี่ปุ่นเขาไปก่อนเราละอเมริกาเขาไปก่อนเราละอายุยืนนี่นะประเทศไทยเพิ่งตื่นตัวคือการกินการดื่มสุขภาพมันดีขึ้นนะมานานตายเดี๋ยวนี้ก็ดูแลรักษาเป็นปัญหาเรื่องกระสวงนี่แหละพยาบาลนี่แหละต้องดูแลเอาใจใส่มากโอ้ยุ่งยากเขามากทำยังไงก็ ขอเพื่อนเล่นมันไม่มีเพื่อนเล่นก็ไปขอขอเพื่อนเล่นหน่อยเถอนะดูแลก็มีแล้วขอเพื่อนเล่นพระผมก็ไม่รู้จะให้อะไรก็เลยเป่าอายุเท่าไหร่แล้วเมื่อกี้นี่นะเจ็สิบแล้วนะอืมก็เป่าให้มาอ้าวมึงไปเป็นเพื่อนเล่นของมนุษย์นะเขามาขอเนี่ยมึงจงมีชื่อว่า ม, มังกี้นะไม่ใช่พระนะ มันมีขี้ด้วยนะบางขี้นะอชื่อว่าลิงอ่ะเอาไปให้สามสิบปีมันไม่เอามันเอาสิปีพอมันว่ามันเบื่อหน่ายที่อยู่กับมนุษย์ท่านลิงก็อายุประมาณสิปีตายแต่ว่ามนุษย์ขอซะมึงไม่เอาใช่ไหมกูขอนะาเนี่ยพระพรหมหน้าแย่เลยเนี่ยเฮ้ยไม่รู้จักพอเลยนะมนุษย์มันไม่กลัวเลยมันน่าจะพอแล้วเกิดประมาณนั้นก็พอแล้วมันไม่พอขออีกขออายุลิงมาท่านพอตอนแก่ก็จับไม่เท้าเงงับเงื้อับเดินเหมือนลิงเนี่ย เวลาใจลุกก็เอาก้นขึ้นก่อนมีไหม <laughs> ลิงมันจะลุกมาเอากอน้นขึ้นก่อนนะโยมไปสังเกต ด, ดูที่บ้านนะ่ะแล้วโยมจะให้อภัยคนทุกคนโอ้ยชีวิตไม่ใช่ของชายหรอกแม่เอ้ยของลิงหลวงตาหนูไปฟังหลวงตาพูดมามันใช่จริงๆหน่อยประมาณนะ่ะก็เลี้ยงไปเราก็เลี้ยงไปเลี้ยงลิงเลี้ยงอะไรไปดูแลเข้าไปสุขภาพเป็นแบบนั้นนะ่ะ เดินงก เ, เงินเงินจับไม่เท่าบ้างก้นงอนขึ้นนะเวลาเดินนี่เห็นไหมมันยังไม่่ายถ้าตายก่อนมันก็ไม่ได้ใช่อายุลิงนะแต่นี่มันไม่่ายปัญหามันก็เลยได้ใช้อายุลิงไปไถามว่าชีวิตเราจริงๆไม่มีเลยจากสามสิบไปแล้วหมดสภาพอาจจะมีบางคนนะที่ยังพอ ส่วนมาเขาห้ามถามหนึ่งเงินเดือนสองอายุสามสามีพัญญาห้ามถามถ้าถามก็ต้องถามเบาๆท่านตอบมาว่าเพิ่งยี่ห้ายี่ห้าปีก็แสดงว่ายังอายุคนอยู่นะเนี่ยอายุคนอยู่อายุมังอยู่ว่นะาใช่อายุมังแหละอยู่คนยังเป็นคนอยู่สามสิบปีเนี่ยแต่ถ้าเลยสามสิบได้ลูกได้ผัวได้เมียแล้วก็ยุ่งเลยละทีเนี่ยอายุอะไรต่อไปอายุควายนะ ดุดันเอาจริงเอาจังทั้งสู้ทั้งชนกลางคืนก็ไม่ได้นั่งกลางวันก็ไม่ได้นอนละ่ะหาแต่เงินแต่ทองอย่างนั้นแหละหาจริงหาจังนะกลับมาแล้วก็เมื่อยเหมือนควายนะเล่นโต๊ะต่ำลงไปเลยนอนน้ํานะกลับเข้าบ้านหลับเป็นตายมันเมื่อยไงเหมือนควายนอนน้นะําน่ะพอตื่นขึ้นมาหาแล้วจะหาเงินหาทองอะไรนะี่ขบับรถขึ้นไม่ได้ขํานะากลางวันก็ไม่ได้รับไปนนอนอย่างว่านะเอาจริงเอาจังมากนะ่าสงสารนะ แต่ชีวิตนักปฏิบัติทำในชีวิตอะไรกลางวันก็ไม่ได้นอนชีวิตอะไรอ๋อหนยโอ้นี่แหละชีวิตพระและเนี่ยชีวิตพระพระคือผู้ที่ตั้งใจที่จะบำเพ็ญเพื่อละกิเลสคนที่นอนไม่หลับมีอยู่ห้าประเภทน่ะ คนที่ไม่ค่อยได้นอนเนี่ยหนึ่งใครที่ไม่ค่อยได้รับได้นอน <Wow. S 1> นอนไม่ <c oughs> เอา <c oughs> ไม่มีในตำลานะไอ้ยามนะ <c oughs> หนึ่ง <c oughs> เอาโลงตายจะพูดเองหรอกนะ <c oughs> หนึ่งโจรที่จ้องจะรักของเขาเนะี่ย ได้หลับไหมถ้ามันหลับมันก็ไม่ประจูนแล้วเนอะใช่ไหมจนที่จะจ้องขโมยของเขาหนึ่งนะสองผู้ที่ติดอยู่ในความรักผู้หญิงที่รักผู้ชายผู้ชายจะรักผู้หญิงได้หลับไหมหนูตาเคยเห็นนะมันมาพูดในฟังนะโทรศัพท์จนสว่างก็มีนะคุยกันนะั่นแหะ บางทีมันนั่งเฝ้ากันก็เฝ้าอยู่นั่นแหละแต่ไม่ได้พูดอะไรกระหล่มันเฝ้ากันไปจนสว่างนะผู้หญิงจีบผู้ชายไม่มีอะไรจะคุยกันมันหมดความคุยเพราะไปนั่งเฝ้ากันทุกวันจนทําว่าไก่ขันขึ้นมาตอนเช้าอ้าเยอะนาไก่ขันนะ่นั่งคุยจนสว่างพูดขึ้นมาคําหนึ่งผู้ชายนะคงต้มอร่อยเนาะจนสว่างคําพูดมันมีเท่านั้นคงต้มอร่อยผู้หญิงก็ว่าใส่ตะไคร้ก็ยังดี มีสองคำที่เขาจีบกันนะว่ามไม่ได้มีอะไรจะคุยแต่เขาก็ไม่หลับนะนอนไม่หลับพวกเนี้ยเป็นไม่รู้นะมีความรักไม่รู้เป็นไงนะพวกเธอเป็นไงมีความรักเนี่ยออืปิยโตชายเตโสโกโปิยโตชยเตทุกโขมันนอนไม่หลับแม้ อัที่3มอันที่2องเนี่ยครักกันนะอันที่3ก็คือพระราชามหากษัตัิย์ผู้เข่งครัดในทุรละหน้าที่การงานของท่านเองต้องดูแผนที่ต้องทำทางงานต้องบริหารบ้านเมืองพระราชามหากษัตว์นี่เขารวมทั้งนักรบ นักลบผู้ป้องกันเขตขันถ้าสีมาบ้านเมืองเนี่ยพวกนี้จะเป็นหลักๆพไม่ได้ชนชั้นปกครองที่ดูแลทุกสุดราษดรกี่คนแล้วกี่ประเภทแล้วนี่เพิ่งสามเองเลยสีนักธุรกิจที่ต้องคิดเรื่องการเรื่องเศรษฐีอ่ะ พระนอน 4, สี่เศรษฐีนอนหกยาจกนอนแปดพวกตื่นใช้สายหนุ่มไม่มีอะไรจะทำพระเนี่ต้องดับกิเลเสเศรษฐีก็ต้องบริหารทำบัญชีทำโน่นทำนี่นะยาจกคนตื่นมาไม่ทำอะไรเนะี่ยรอไปขออย่างเดียวต้องคิดอะไรไม่ต้องคิดคนสุดท้ายนะเอา้าอันที่สี่ก็ที่ห้า ก็คือพระโยคาวจรพผู้มุ่งชำระกิเลสอนุใสที่ฝังอยู่ในใจพวกนี้จะนอนไม่ค่อยหลับไม่ได้เอาใจใส่เรื่องการหลับการนอนมาเป็นประมาณน้องชีวิตแต่รู้ทันทีว่าในจิตมันมีอะไระเขาแต่จ้งตั้งใจที่จะชำระใจ กิเลสเหลือเท่านี้เนาะตื่นมาก็ะทำกิเลสมาก็ทําเพราะว่าชีวิตนี้น้อยนักสั้นนักไม่รู้ว่าจะจบพบจบชาติในชีวิตนี้ได้หรือเปล่านั้นเขาจะตื่นดึกลุกชเช้าขยันทําทําความเพียรชีวิตเราก็เหมือนกันแหลนะมานี่ยเจ็ดวันเองเนะี่ยเจ็ดวันนะหลายคนถามนะเป็นยังไงบ้างโอ้ยหนักกว่าผมเป็นทหารเกณฑ์อีก <c oughs> หนักกว่าการเป็นทหารเกณฑ์เพราะทหารเกณฑ์เนี่ย ฝึกโดยอาศัย อ, อินเตอร์เทนไปสนุกดนตรีกีฬาดนตรีกีฬาเป็นตัวชักจูงลากไปทางโลกเป็นแบบนั้นนะดนตรีกีฬาดนตรีกีฬาแก้ปัญหาชีวิตคือเขาคิดได้แค่นั้นไงโลกเนี่ยชิดอะไรเกินนั้นไม่ได้มีปัญหามากเอาดนตรีให้มันสุสนทนภัลากมันไปเสร็จสุดท้ายก็คือเมาใช่ไหมสนุกสนานแล้วคือเมานะเพลิดเพลินเนี่ย เมาแล้วกเกิดปัญหาคลั่งดลมดารากันนเะห็นไหมเนี่ยจุดประสงค์สุดท้ายมันเป็นยังไงก็คือมันไม่ได้มีสติไม่รู้อะไรผิดอะไรถูกไงก็เลยกลายเป็นกระแสปไปโดนตรีืองทีก็กีฬากีฬาก็มาสุขสนานยั่วยวนสุดท้ายก็คือเมาในนี้ลงมาถึงกีฬาอาปอปตนะไทยครับไทยครบลงมาต่ำลงมาเรื่อยๆนะนะก็แข่งขันกันเอางบไปสนับสนุนอปจอ ให้เงินอะไรประมาณเนี้ยสเพื่อชื่อเสียงถ้าแพ้มาล่ะโศกเศร้าร้องไห้เอาเล่ามาแก้ใช่ไหมแต่ชนะมาล่ะเอาเล่ามาฉลองอะไรอีกละ่ะก็มีเท่านั้นไงเพราะจิตมันวนเวียนอยูนะ่มันไม่มีปัญญาอะไรเกินกว่านั้นมนุษย์นะ่ะความคิดของรัฐบาลก็คิดได้แค่เนี้ยคิดมากกว่านี้ไม่ได้เพราะมันจํากัดไงคือถ้าทําคนโง่มากที่สุดโครงการออกมาที่เหลือนั่นก็คือเงินเข้ากระเป๋าประมาณนั้น จะให้คนฉลาดได้ยังไงมันฉลาดก็หมดเงินหมดวิธีหาดิชีวิตเนี่ยแล้วที่สําคัญก็คือตัวคนบริหารก็คือไม่มีปัญญาพอที่จะมองเห็นว่าชีวิตมนุษย์เนี่ยมันมีทางหลุดทางรอดหลายวิธีนะวิธีแบบพุทธะเป็นยังไงอาศัยหลักศาสนาต่างๆเข้ า, า, า, า, า, ามาบริหารมันเป็นยังไงแทนที่จะเอาอยู่แค่หลักสังคมสงเคราะห์แบบให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินเป็นตัวย่อมยั่วย้อมหมอมอชีวิตเขาเนี่ยแก้เกินนั้นได้ไหมอาจจะยากยากก็ดีกว่าไม่แก้ แต่คนมันก็ไม่ถามอย่างว่านะ่ะดนตีกีฬาดนตีกีฬานะเอาไปมาเลยวุ่นวายไปทั่วทั้งบ้านทั้งเมืองนะแข่งแต่ดนตีกีฬาดนตีกีฬาอยู่นี่ปัญหาคนเลยก็แย่แย่ทั้งที่พระพุทธเจ้าเนี่เป็นบุคคลที่ที่เกิดมาแล้วท่านประกากาดกล้องกับโลกว่าท่านประ ส, สมสสาเร็จในการเกิดมาเป็นมนุษย์พ้นทุกข์แล้วเดินมาตามทางนี้แต่คนไม่เดินสักคนนะถ้ารัฐรมเนี่ยดีไหมดีไหม อันนี้มันเอกชนทำนันี่เราทํากันเองถ้าสมมุติว่าสมมุตินะสมมติว่าเธอเป็นเจ้านายนะเป็นผู้ว่าคดีเป็นราชามหากษัตริย์ไปมาปฏิบัติทําสักคนหนึ่งลูกน้องมันจะมาไหมมาหเห็นไหมไม่ต้องลงทุนลงเลยไม่เพื่อเปือง ง, ง, งบประมาณเลยนะสังคมนี้มันดีเองอะแต่ส่วนว่ามันไปแย่งอะไรกนันก็ไม่รู้นะนะลาบยศสารเสริญอานาจอะไรก็ไม่รู้เอาไปมาสังคมนี้ก็เละเทะไป แต่ถ้าคาฟาเขวัตเข้าวามีไหมไม่มีอ่ะเดี๋ยวนี้พาเต้นก็มีอ่ะนะส่งเสริมอะไรก็ไม่รู้นะแล้วคนความคิดมันก็แตกที่เนี้ยอนะพาเต้นพาดีดพาดองพาอะไรสารพัดนะนะเดี๋ยวนี้ก็สแสดงหนังก็มีอะไรก็มีไปเรื่อยเด้คนมันก็เลยวุ่นวายไง มันไม่เป็นตัวอย่างผู้ใหญ่ก็ไม่เป็นตัวยาวเือก็ อ, อยากเด่นอยากดังเาเไปหลายเรื่องปัญหาก็เลยเกิดขึ้นนะลองดูสิเนี่ยเอาเอา้าวคนนี้มาปฏิบัติธรรมที่นี่ก็ดีอย่างท่านจิกมี่นะนาเกียววังชุกนะมาเป็นบีเซนเตอร์ไหว้โอ้ยดังไปทั่วโลกเลจังนะเราก็หัดไหว้คนนั้นก็ไหว้ตัวเด็ก เ, เอาตัวอย่างคนนั้นคนนี้ได้ประโยชน์เยอะแยะเลยนะ คุณพรดาดอนว่าสนิษฐานกันดังก็จัเอาใจใส่นะเอาไปปฏิบัติธรรมดูดีสักคนเนี่ยดาราไปปฏิบัติธรรมนะผู้หลักผู้ใหญ่ในบ้านในเมืองปฏิบัติธรรมงานนั้นงานนี้มีจะไปเปิดงานใช่ไหมเพราะไปเปิดงานผมเนื่องจากว่ามีงานที่จะต้องไปทีน่นอตินีจึงขอฝากงานให้ท่นแต่ดูเลยบังไปแล้วมาเปิดงานได้เฉยนะเปิดงานมันจะยากอะไรไ ม, ไม่ได้ลืออะไรขึ้นนี่ใช่ไหมไ ม, ม่เหมือนเปิดหน้าต่างเปิดประตู มาพูดจ้องๆแย่งๆกัไปแล้วมันไม่ได้ประโยชน์คือมันไม่มีผลกระทบกับสังคมเลยในทางที่ดีเลยนะลองให้มันมาเปิดแล้วมันมาอยู่กับเราดง ด, ดูนี่นี่เจ็ดวันอย่างนี้นี่ได้หยอดน้ำข้าวต้มนะผู้ใหญ่นะหมเอาสังคมมันจะเจริญนะความคิดมันก็จะได้ลดโล้มความปรุงแต่งเนี่ยมันก็จะดีขึ้นโอ้เห็นเป็นประโยชน์นะันี่ชวนสนับสนุนโครงการแวนี้น แต่นี้ไม่มีโครงการปฏิบัติธรรมแต่ก่อนสำนักปฏิบัติธรรมนี่ยเขาทำแล้วเขามีงบให้ในนี้ไม่ทำใครทำมันทำก็ได้ไม่ทำก็ได้อันนี้เขาเห็นกลัวสังคมมันเป็นอย่างนี้นะอาศัยวัดวาอาวาสเดี๋ยวนี้เขาไปอาศัยดิปฏิบัติธรรมนี่เขาถือว่าเป็นเรื่องประหลาดนะนี่ใช่ไหมไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้เขาไม่เอาหรอกในวัดในวามันถูกกิเลสยึดไปหมดแล้วเป็นเรื่องบริหารบ้านเมืองไปหมดแหละนะวัดบ้านนอกก็เป็นอะไรเดี๋ยวเนี้ทำฉางข้าวธ น, นาคารข้าววัด เป็นที่สาการกรลานวัดเขาก็เป็นลานเต้นไปหมดแล้วเนี่ยนะบางทีก็มีศูนย์เด็กก่อนเกณฑ์ น, นี่เอาไปเนี่เจ้าวาดก็เอานมไปให้ครูพี่เลี้ยงประจำอะไรเปัน น, นี่เอาไปมาประสบพ้นสาเร็จแต่งงานกันไปนี่ออกรูปมาเข้าโรงเรียนเด็กเล็กก่อนเกณฑ์อยู่ น, น, นได้ประโยชน์อะไรทำอะไรกันเนี่ยสังค ม, มนเนี่ยมันเหมือนทำเล่นนะแต่มันออกมามันทำลายนะเนี่ย แต่เราไม่รู้ไงทําบุญทาทานเขาส่งเสริมกันจังน่ะส่งเสริมส่งเสริมทออทก็สนองเสริ ม, ส, ส, รม ส, นสนับสนุนบุญข้าวจีเมื่อกี้จังหวัดไหนที่ใหญ่ที่สุดนะ่ะบุญขา้าวจีข้าวจีใหญ่เท่ากับอะไรนะรถสิบ ล, ล้หอหนึ่งรองเ้าโอ้ยข้าวไว้นึ่งกินดีกว่า <c oughs> ทําไมใหญ่จังนะ่ะแต่ก็อะไรนะคนก็ได้ไข่หอมมันก็เป็นการโปรโมตโฆษณาทั้งโลกแต่ว่าคำว่าบุญบุญบุนี่มันเพี้ยนไปหมดแล้วนนี้ ทอดผ้าป่าทอดกระทินนี่จุดมุ่งหมายคือทำให้คนจิตใจมันทะลุไปสู่มิติที่มันรู้แจ้งเห็นจริงคาว่าบุญเนี่ยเดี๋ยวนี้ทอดผ้าป่าในโรงเรียนก็มีเนี่ยทอดผ้าป่าตามอนามัยก็มีเนี่ยทอดผ้าป่าสารพัดนะที่โน่นที่นี่มีแต่ทอดผ้าป่าโอปตอก็มีเขายืมพระเอาไปออกรายการเขาหมดเลยเนี่ยพระกระบาย คือมันเป็นเครื่องมือของกิเลสไปหมดคือทอดผ้าป่าผ้าป่าเนี่ยมันเข้าใจว่าคือเงินและเดี๋ยวเนี่ยความมุ่งหมายเดิมของพระพุทธองค์ที่ต้องการเป็นเครื่องมือเพื่อเกิดการชราใจให้คนรู้จักความมักน้อยสันโดษรู้จักการปล่อยวางรู้จักเอาสิ่งที่มันที่มันไม่มีประโยชน์เนี่ยอย่างผ้าที่เขาห้อยไว้ตามดวงตามป่าเอามาทอดไว้ให้พระสงฆ์เขาจะามาชักบางสกุลเพื่อเอามาใช้ในการ นุ่งห่มเป็นปัจจัยสี่ของชีวิตแบบแบบมากน้อยสันโดษมันไม่มีตรงนั้นแล้วเดี๋ยวนี้ผ้าปาได้เท่าไหร่กระถินได้เท่าไหร่เนี่ยโอ้ยได้น้อยก็มีกาทอดแล้วเดี๋ยวนี้พอยากลำบากยากมืเ่เรื่อยกลายเป็นเรื่องแบบนั้นไปนหมดแล้วเดี๋ยวนี้นะแต่ถ้าเราบ้านเมืองเราผู้หลักผู้ใหญ่เป็นตัวแทนเป็นเป็นบุคคลแถวหน้าทําให้นสบายลอนตาอยังคุยเลยสารคดีทั้งหลายทั้งพวงนี่ ลองดูดิอา้าวถ้าพูดว่าไปเที่ยวที่เชียงใหม่มันมีอะไรบ้างล่ะก็ไปเที่ยวอา้าวราชสุเทพเหรอลำพูนมีอะไรให้เที่ยวเนี่ยก็ไปแหละเจ้าเมืองพาไปไปเที่ยวเขาออกทีวีอ น, นี้ณีมาไม่ได้เสียค่างรงพยาบาลโฆษณานะแล้วเวลาผู้หลักผู้ใหญ่ไปที่ไหนเขาจะมักจะไปพัฒนาใช่ไหมพัฒนาสถานที่นั่นแนะ คนก็ไปเที่ยวตาอะไรมันมันมันเกิดเองโดยธรรมชาตินะผู้หลักผู้น้อยผู้ใหญ่เลยรนีมันมันจะดีขึ้นไปขึ้นมาเองแต่เดี๋ยวนี้ไม่อา้าวสาระคดีไปเที่ยวเมืองนอกนะู่นน่ะทําให้คนอยากไปเมืองนอกดีดีนี้แล้วก็โอ๊ยไม่ควรไปนะเสียดุลการค้านะเสียเงินเอาเอามาหลอกกันทําไมนะ่ะเอามายั่วกันทําไมล่ะเราทําไปโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวไงเดี๋ยวนี้ก็เพิ่งตื่นตัว รัฐก็เข้ามาตรวจสอบสตงองก็เริ่มเข้ามาตรวจสอบอะไรลนะ่ะอปตไปดูงานเมืองจีนไปดูกำแพงเมืองจีนของตาไปเจอมาไหนมาจากประเทศไทยมาอะไรมาดูงานโอ้จะเอากำแพงไปทนะําเหรอนะฟังมาทําไมมั น, มนไ ม, ไม่ไม่รู้นะแต่เวลามันยกมือมันก็ผ่านนะผ่านงบสิบห้าล้านผ่านไปดูงานเนี่ย อ้าวไปนิวซีแลนด์เจอที่นิวซีแลนด์มาอะไมาดูงาน <c oughs> เอาเงินไปผ่านหมนดเนี่ยเงินภาษีของรัฐเนี่ยมันผลานหมดถ้าไปปฏิบททัติธรรมไม่มีมันไม่เอาปฏิบัติธรรมก็ไปดูสถานที่ปฏิบัติธรรมผ่านๆไปมันไม่กล้าไว้ปฏิบททัติธรรมไปดูแต่ ง, งานดูแต่ ง, งานดูแต่ ง, งานเดี๋ยวนี้เขาเริ่มรู้สึกว่ามันไม่คุ้มค่าแล้วที๋ยนี้นะสอตงอ๋ก็เริ่มเ ข, เข้าตรวจสอบแล้วแต่ ก็อย่างว่านะสอตงอเข้ามาเจอซองขาวเขาก็เสร็จเหมือนเดิมเนะ่ะมันเป็นอย่างนี้กันไปหมดมันพี่โกงพิการไปหมดเลยนี่ไม่รู้จะพัฒนายัางไงจิงจ ะ, จะเจริญให้คนมาปฏิบัติธรรมในวัดเหรอ <c oughs> หลวงตาเคยลงทุนนะสกลนครปีก่อนให้งบผู้หน่วยการโรงเรียนทั้งหมดทั้งจังหวัดนะให้ไปห้าแสนหก เอาให้โคตา้าผู้หน่วยการครูแนแนวกับครูสอนสีนทรรมเข้าฝึกอบรมที่วัดให้งบเขาห้าแสนหกปุ๊ว่าเซ็นปัภบพทันทีเลยท่นให้ปรากฏว่าได้พันลงมาดูดิครูสอนสินท ร, ร ม, มันยังไม่มาเลยครูแนแนวก็มีนิดๆหน่อยๆอะ่ะมันไม่ค่อยมานะ แล้วมันจะมีผลกระทบกับสังคมหรือมันไม่มีอ่พอไปครูน้อยไปยกมือพานังเรียนยกมือเอา้าไปปฏิบัติว่าท่านมาทาไมเป็นทึ่งปานนี้อะไรขนะพากันมาดูดิครูเป็นอะไรเนี่ยนะสรางว่ดูได้เห็นไหมแต่ถ้าพออมีใครกล้าว่าไหมเอา้าครูทั้งหลายเข้าประชุมนะผมได้วิธีดีมาขสีกระบวน่าบายาสับาดาสยบมาน ทำวันนี้แล้วจะเกิดนะนี่ว่าคนก็ฟังเนี่ยใครสงสัยมาท่านอธิบายได้แต่ถ้าครูน้อยพาลงไปเนี่ประหลาดไหมมีอำนาจไหมมันไม่ได้เลยอะ่ะมันขับเคลื่อนไม่ได้เราก็อยากให้มันมีผลกระทบกับสังคมเยอะๆอย่างคนไปทอดกับดินป่าป่ามาเรามาฝึกคนเนี่ยฝึกคนคืนกำไรให้กับสังคมฝึกคนให้มันเกิดสติเกิดปัญญามาให้นคนเข้าใจสัจธรรมเนี่ยแต่ที่เราจะไปสร้างเจดีสร้างโน้นลองมาทําเรื่อนี้ดูดิ แต่ก็อย่างว่าคนมันเห็นความสำคัญเรื่องนี้น้อยมากสังคมมันเนี่ยยากมันพัฒนาไม่ขึ้นนะมันจมไปหมดนะ่ะถ้าคนที่ไม่มีอำนาจไม่ช่วยบริหารจัดการเนี่ยยากลำบากหลวงตาอยาจะทําทำแบบไฟไม่ฟางไปนี้นะจุดตรงนั้นวาบหน่อยนึงไปจุดตัวนี้วาบหน่อยนึงปีหน้านจะได้สามคนหรือเปล่ายังไม่รู้ในนี้ครูโรงเรียนนี่ก็พูน มึงอย่าไปนะกูเกือบตายเนะี่ปีที่แล้วนะมึงเนี่ยแล้วมันก็จะเล่าลือไปนะนว่าให้คางเหลืองมานะกูเสียได้นะกูหลงเข้าไปกูก็เลยไม่กล้าถอนตัวนะ้องาไปเพือนขันน่โคแย่ลเนี่ยอย่างนะ้ยนอยๆก็เล่าลือไปทนะ้งล้างแขนเขาบ้างกูเกือบตายกูเจียวขนาดเลยไปเลยนะ้องแจ้งออกมานะวฉันนี่มเนี้ยแจ้งทุกวันนหะลับจนแจ้งทุกวันก็ค่อยยังช่วย่ช่วยกันโกหกไปไกลๆหน่อยก็ยังดีอ น, นี้กลัวมันจะ ไปพูดความจริงให้เขามากไปไม่ไหวแล้วเนาะได้สามคนก็ยังดีนะงวนหน้าแต่ยมพันหัวลงตานหนุ่มไม่รอถึงปีหน้านะผมจะจัดใหม่อีกอยู่นเนีน่คนที่ตกครั้งคือเขาก็มีสังคมเขาเยอะเนาะมีคนนะประมาณนะั้นก็อยากให้เราทั้งหลายนี่ได้ใส่ใจนะพุทธธรรมเนี่ยจริงๆมันเข้าสู่ใจมนุษย์เนี่ยมันจะดีมากต่างประเทศเขาไม่เป็นีเ น, นะคอสอยเงี้ยห้าวันหกพัน ห้าวันหกพันลวงตาพูดเนี่ยสองชั่วโมงแต่ถ้าไปพูดในมหาวิเลยนะพูดสองชั่วโมงก็วันแสนกว่าในมหาวิเลยคนเข้ามันฟังเยอะนะประมาณแสนกว่าบาทนะมันไม่กี่ชั่วโมงนะหาเงินเนี่ยมันง่ายแต่ก็ไม่เอาฉั้นเวลาคุยกับฝรั่งคุยอะไรเนี่ยพอคุยพวกเขาก็ถาม เขาเขาถามคิดเท่าไหร่ที่คุยจริงๆเราคุยกันธรรมดานี่เขาว่าคุยเรื่องปฏิบันธเรื่องสมาธินี่นะพวกฝรั่งเศสพวกอะไรเนี่ยเขาจ่ายเป็นชั่วโมงเลยคุยกันได้หน่อยก่อนจากนี่เขาว่าเขาไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เขาจ่ายให้เลยสามพันคุยกันชั่วโมงหนึ่งสามพันสามพันของเราเนี่ยคุยฟรีๆมันก็ยังไม่มามันยังไหวไม่คุยนานเว่ยอยากนอนแล้วนะเนี่ยคุย ไม่จบสักทีไว้ว้าวกูเลยง่วงเอาง่วงเอาแต่กูก็ไม่กล้าหลับวะย่างมันก็ว่าเนอะมันน่าจะจบไม่รู้เอาอะไรมาพูดพูดอยู่นั่นแหละมันวาน่ามันโวนะฮะแต่ฝรั่งเขาไม่เป็นแบบนั้นเขาเสียเงินเป็นคอร์สเป็นคอร์สจนพระเราเนี่ยไปสอนกรรมฐานในประเทศฝรั่งเห็นโอกาสดีอะสึกกันไปแถวแถวสึกสอนเพราะเงินมันดีไง แต่ถ้าสอนเป็นพระเข้ามูลีนที่เข้าวัดเข้าอะไรคือคือวัดเนี่ยมันจะมีเขามีบัญชีเนี่ยมันมีสอตองอเขาเข้าตรวจสอบทุกปีทุกหกเดือนเขาเข้าเลยคือแล้วแต่เขาจะมาตอนไหนรายได้ที่เข้าวัดแต่ละบาทแต่ละทางเนี่ยคือจะไม่เป็นที่ฟอกเงินเลยนะคือเข้ามาเงินนั้นนี้ได้มาจากไหนเนี่ยจากงานบอนหลหรืองานเดือนเมษาหรืองานไหว้ฟ้อนไทยหรืออะไรอย่างเงี้ยแทนี่หรืองานรับบริจาค คือโยมแต่ละคนก็จะมีบาทเล็กๆไปจำหมู่บ้านน้ใส่เงินแล้วมาส่งวัดเขาจะรู้ทุกบาทเคลื่อนไหวตองรู้รับทราบหมดเขาเขาละเอียดทางประเทศนะดังนั้นเวลาไปทำงานก็เอา้าแบบนี้ก็คือถ้ามันมันไม่เป็นลักษณะองค์กรมันส่วนตัวส่วนบุคคลแต่ว่าไม่ได้เสียภาษีนะสอนศาสนาเนี่ยรายได้แต่ทาธุรกิจแบบอื่นเสียภาษีหมด ก้าแบบนี้ก็ง่ายๆเอสอนเอาวนนี้มีอยู่สิบคนสิบคนอาทิตย์นี่คนละหกพันแปดพันเนี่ยห้าวันเองอะ่ะอันนี้ข้าวเขาก็เสียให้อันนี้พระก็มาสอนฟรีอย่างเงี้ยนะมีน้ำซําค่ารถก็จะไม่มีกลับหาที่จำพรรษาให้หน่อยนะญาติโยมทางลำพูนนี่นะมีไหม อาจจะได้อยู่ยแถวๆนี้ก็ได้คือไปไปแบบฟรีๆไปไ ป, ไ, ๆๆนะไปง่ายๆชีวิตง่ายๆนะไปง่ายๆแล้วแต่จะไปอ่ะอย่างเงี้ยคนก็ยังไม่ปราถนาแต่มันชอบแบบไห น, นชอบพรมน้ำมนเนี่ยชอบบอกใบให้หวยชอบชอบสืบชะตาเนี่ยจริงสือบจะไงมันก็ไม่ออกหรอกมันไม่ได้หรอกมันไม่ไม่เป็น ไ, ไปไปหรอกมันถึงเวลาตายมันก็ตายแล้ว บางคนโอ้ยลองหายมันลูกหนูตายยังไม่ถึงเวลาตายยังไม่สมบวรอ่ะไม่สมควรแล้วมันจะตายได้ยังไงมันก็สมควรนั่นแหละมันถึงตายอายุมันตายอายุเขายังน้อยน้อยมันก็ถึงเวลาตายมันก็ตายแน่นอนงั้นเราจะไปคิดอะไรเลยมันก็เหมือนหมูเหมือนหมากาไก่ธรรมดาเนี่ถึงเวลาตายคือตายก็จบไปเราจะไปอะไรอาวรกับใครอะได้อะไรขึ้นมาไม่ได้อะไรนะบางคนยังมีอีกว่าวหยของเข้าของที่ไหนมันจะมาเข้าไม่มี ไม่มีผีไม่มีอะไรถ้าจิตอ่อนเนี่ยอุปทานมีเนี่ยมันมีใช่ไหมอุปทานมีเนี่ยมันมีมันมีที่อุปทานถ้าจิตเราไม่ดีเนี่ยมันเป็นทั้งนั้นน่ะที่หมู่บ้านใกล้ใกลบ้านใกล้ใ ก, ใ ก, ใ ก, ใกวัดหลวงตาที่สกอนคะนมีหมู่บ้านผีปอบะปอบรวมนะสหปอบนั่นนั้น คือผีปอบในภาคอีสานนะ่ะที่หมู่บ้านไหนที่เป็นเนี่ยเขาจะมาอยู่ในนั่นเพราะหมู่บ้านนะั้นเขารับคือเขาไล่หนียายคนนี้เหรอใครๆมันพูดเรื่องของครั้งเรื่องเรื่องล่างเรื่องผีเรื่องสะตว์าจะไล่แล้วก็หนีมามาอยู่ที่บ้านนี้รวมกันในนั่นหมดเลยเขาชื่อว่าบ้านนาสาวนานผีปอบทางขึ้นถ้ำขามทางวัดหลวงปู่เทศเทศรังสีเนี่ย เป็นกันหมดบ้านคือแต่ละคนแต่ะคนที่มานะ่ะมีแต่ออกแสงแล้วเข <c oughs> ี้ยวยาวแล้วมาเวลาเราขับรถผ่านก็ต้องหนีบไว้กลัวมันเข้าไปในไส้ผีปอบมันจะล้วงกินตับแต่หมู่บ้านเขาเขาไม่กินกันนะผีปอบกับผีปอบมันไม่กินกันนะ <c oughs> เขาบอกว่าห้ามพูดเรื่องปอบนะคนในหมู่บ้านในห้ามพูดห้ามพูดเรื่องผี ใครเจ็บใครได้ป่วยใครเป็นอะไรขึ้นมาไปหาหมอในโรงพยาบาลอย่างเดียวห้ามใช้คําว่าผีขึ้นมาเป็นเดือนขาดเลยห้ามพูดเรื่องผีเรื่องสางเรื่องนั้นนี้ไม่เขาบอกว่าในหมู่บ้านนั้นมันมีบ่อน้ําศักดิ์สิทธิ์ใครไปอยู่นั้นแล้วกินน้ําในนั้นเดี๋ยวนี้เขามีน้ำป่าปานะเดี๋ยวนี้มีน้ำแล้วจะหายไปจริงจริงมันไม่คือระเบียบเขาดีมากคือหนึ่งห้ามพูดเรื่องงมงายมันก็ไม่มีดิต้องไปหาหมออย่างเงี้ย ใครเจ็บใครได้ป่วยห้ามมีการทําพิธีกรรมอย่างอื่นต้องไปหาหมออย่างเดียวน่ะเอาไปมาเขาไม่พูดเรื่องผีเรื่องสางเรื่องอะไรจ้ะมันไปหาบุญธรรเลยไม่มีเลยหมู่บ้านนี้เลยสะอาดเลยไม่มีผีไม่มีเพราะมันเป็นอุปทานไงแต่ก่อนพูดแล้วก็มีแต่เรื่องผีเรื่องผีแล้วอยู่แต่ใ น, นหมู่บ้านน่ะเขาก็ไล่หนีไล่หนีเพราหนีหนีไปไหนก็ต้องมาอยู่ที่หมู่บ้านนี้รวมที่หมู่บ้านนี้ทั้งนั้นเลยเรากลัวเวลาเข้าไปแต่เขาสซ้ำะคีกันดีมาก เวลามีงานจัดบอลงานอะไรในงานโรงเรียนเนี่ยบ้านเล็กๆในน้อยในได้เป็นหลายหมื่นเนะ่ะเขาบริจาคนะให้โรงเรียนให้อะไรเขาเขาสามมิตคีกันดีคือจริงๆคือไม่มีอะไรนั่นเองไม่มนะีมันเป็นแหละมันจะช็อกตายบางคนออออเข้ามานี่มันเป็นตาเคยไปขอนิมนต์ไปป่าผีปอบนะเอ้าตายงานนี้ ใครดีใครอยู่ล่ะนั่นปราบผีปอบผีมันเข้าส่วนมากคนมีปัญหาเรื่องจิตนั่นแหละปัญหาเรื่องการเงินอยาเงี้ยแล้วก็จะชักแล้วก็ว่าไปออกเสียงเป็นแบบนี้แบบนี้นะเวลาไปก็ทําไงอ่ะรู้นะมันไม่ใช่อ่ะแต่มันก็บนเหมืองเหมืองมณฑปมร้อนทําเสียงใหญ่ๆผีผู้หญิงด้วยนะมันมาเข้ามันอ่ะทำไง เอาบาดน้ํามนมาเอาบาดน้ํามนมาจับมันไว้แน่นๆนะอย่าให้มันมาหาพระนะ <c oughs> อันตรายพระก็กลัวก็จับไว้เขาจับไว้คนหนุ่มคนนึง า, าจับไว้คุมไว้โอ้ไม่ ก, กามานะลัวกูมึงจะบุกเข้ามาเนี่ยเราก็เอาพระไปด้วยสององค์ป้องกันนะทศเอาบาดมาเขาเขเอาเอาขันขันน้ำมนเห็นเนาะ มีลายนะนีทางภาคเหนือเขาทำพอทามาเขาเอาให้มันดูจับมันมาเอาน้ำมันให้มันกินอมอ่านคาถาเเทียนมาทำจุดแล้วก็อ้าปากมองๆๆไปจริงๆก็ไม่มีคาถาอะไรเราก็ว่าไปงั้นแหละตามเรื่หยดให้มันหยดเราเป็นดอกๆบ้างอมอ่านทําหน้าเหี่ยมๆไปแล้วก็เอาตีนนี่เช็ดสักหน่อย แล้วจุ่มลงในน้ํามุนก็แกว่งเปล่เอาให้มันกินเอามันคนมันพอนึกได้อยู่เนาะมันแต่ตอนมันเป็นผีเข้ามันอุปทานนี่ไม่กินอ้าวมันก็รู้อยู่น้ําคีตีนกูนี่นอนแบบนั้นเอากองไปบีบคอมันเขาก็อ้าปากขึ้นกอเข้าไปนะกูไม่กินกูไม่กินนี่นะเอาให้มันกินอี่เน้ะมันก็ทําที่ล้มกูลาแล้วล้มตึ้งออกไปลาหายไปเลยขึ้นมขึ้นมาเมื่อกี้ อาหนูเป็นอะไรอ่ะเกือบมึงเนาะว่ะเป็นอะไรเกือบได้กินน้ําขี้ตีนกูหรือไม่ถ่จริงถ้าเอาให้กินนมันมันยังจะบุกขึ้นมาจะพะโคจะวิ่งเหมือนกันนะไม่ไม่เสด่ว่าของจริงอ่ะแต่นี้มันไม่มีอะไรมันก็หายไปก็เฮ้ยไม่เป็นคือทําอะไรก็ได้ให้มันสะท้อนใจกระแทกจิตมันแรงๆอ่ะหรือบางที่เขาตบบ้างตบแต่อย่าโกรธเขานะคือว่าเขาตบให้มันฟื้นขึ้นมาเน่ะเมืออเราไปหาหมอนเขาไฟช็อต เขาจี้เนี่ยมันจะกระตุกขึ้นมาแล้วมันก็หายไปอ่ะคือจิตมันเป็นอย่างนั้นฉั้นจิตของเราเวลามันจะเป็นเนี่นะีปอบจะเข้าหรือผีจะมาเนี่ยรู้สึกตัวขึ้นหายใจแรงๆเวลาเรื่องถึงพระเจ้าพระสงฆ์เลยมันก็หายไปอุปทานมันหายหรือทํารู้สึกเฉยๆมันก็หายมันก็ไม่มีน่ะอล้วทำไมก็สงสารนะโยมที่อยู่ที่นี่ที่ว่าว่าให้บอกลงตานี่ยว่ผีมาเข้าอีกอะไรนี่มันจะมีอะไรมาเข้ามันเข้าไปในขี้ทางนั้นน่ะมันเข้าไปทําไมขี้ทางนั้นนี่ยบอกมันดิใช่ไหม ดวงตานี่ก็จะไม่เข้านะไม่เข้าเปนอากาดพรกขี้นะในท้องมันมีอะไรโยมว่ า, อาบอกมันหน่อยขี้นะเนี่ยมึงจะเข้ามาทําไมขี้นะเนี่ยแต่มันเข้ามาเนมันเข้ามาในจิตนนนจิตเราเนะี่ยมันเป็นตัวไปซับอารมณ์แล้วมันเป็นเนี่ยมันไม่ได้เข้ามาข้างในปวดหัวปวดร้องมันไม่ได้เกี่ยวกับผีเป็นอุปาทาน อุปาทานความไปยึดติดคือมันสะสมมานานนะมันลมาเป็นแบบนั้นแล้วพระกระดันสอนแบบนั้นเพราะทำอะไรเพราะว่าสร้างภาพพระก็พระก็ไม่รู้จริงหรอกเชื่อเถอะไม่มีมันไม่มีเกิดมานานเอา้าถามโยมสมสังแต่เกิดมาเห็นผีนหรือยังไม่มีมันจะมีกับคนที่จิตอ่อนๆจิตกับคนมีความเชื่อจัดๆแบบนี้คนงมงายจัดนี้จะเป็น ไม่ว่ า, าศาสนาไม่ว่าคนพูดคนอเมริกาคนอะไเป็นหมดอะเรื่องผีเรื่องอะไรแต่เป็นกับคนจิตอ่อนใช่ไหมแต่ถ้าจิตเข้มแข็งมันไม่กลัวแล้วมันไม่มีไม่มีนะอย่างที่หลวงตาว่านั่นแหละองคใจเข้มแข็งนะแต่ตอนเอาตีนกวาดลงในขันน้นํามนต์นี่ต้องให้มันดูด้วยดิมึงดูอย่างนนะี้ตีนแข่งยกตีนขึ้นเอาให้มันกินอ่าปาก ที่นี้ก็เหมือนกันนะถ้าผีเข้าใครกลางคืนนี่ทําเลยนะโยมเอ้าวยายมานอนใกล้ๆนี่เอามาผีเข้าหรอใช่ไหมเนี่ยเอาน้ํามาแกว่งเลยหรือไม่ก็เยี่ยวใส่ขันเยี่ยวใส่ขันให้เราเยี่ยวให้มันยินเสียงแล้วดูดูดูเปิดยูให้ดูเปิดเยี่ยวใส่ขันแล้วก็มาจับกรอกให้มันกูไม่เอากูไม่เอามันจะกูไม่เอาแต่นีมันจะฟื้นขึ้นมาแต่เดี๋ยวมันก็จะล้มตึงกุลาแล้วผีมันก็ไป คือประมาณนั้นแหละมันไม่มีจริงจะไปนั่นเลยอ่ะของมันไม่มีแต่มันโง่เองอ่ะเดี๋ยวนี้ปรากฏการณ์นี้จะเกิดกับคนที่โง่คนบมโบราณหน่อยคนปัจจุบันไม่ค่อยเป็ี่นนะนะไม่กลัวลวงตานี่ไปที่ไหนเขานิมนต์ไปปราผีไปหมดนะทำพิปัญสนาก็ไปปราภีก็ไปทําแล้วก็ไปนะซ้อนเด็กซอนหนุ่มไหมดนะแต่ว่ามันเป็นวิธีของเราต่างหากนะไม่ใช่เป็นวิธีแบบเขานะนะ แต่ก็แข็งขันเหมือนกันแหละมีในย่ามในอะไรก็พกไปหมดนะแหละมีทุกอย่างมีดก็มีเผื่อมันลุกขึ้นมาก็แทงไปเหมือนกัน <c ười> คือเตรียมไว้หมดเราไม่ประมาทสักอย่างนะเใช่ไหมแล้วก็ต้องมีพระไปด้วยองค์ที่มีลายมีอะไรมันมาแล้วเอาก่อนนะยัยมันถึงลูกตานะบ่าเพราะ <c ười> คือสั่งเสียกันหมดเรียบร้อยคือไม่ประมาทไงะเราไม่ได้กลัวนะเราไม่ประมาทแล้วก็แก้ปัญหาได้ทุกครั้งนะ่ะที่ไปนี่บางคนมีผีไปนันโอ้ย สงสัยเสาเนี่ยไฟมาไฟเลยเาฟ้าผ่านะก็คืนมาจะดังอดแอร์อดแอดนะ่ะมันไม่นอนไม่สะดวกสบายดวงตาขึ้นนิมนต์ไปชำระให้หน่อยดิบ้านนะ่ะเสียงเวลานั่นจะมีปัญหาเลยนะังอยอดแอรอดแอดนะนั้นเวลาเราไปทำไงเ อ, เอาไปวิพ่พระสว่านก็เอาไปนะค้อนตีด้วยนะไปตะปูแปดตางหา ไปไปแล้วก็พระขึ้น่ตั้งเก้าอี้ซ่อมตรงไหนมันดังโยมแสดงว่ามันไม่แน่นนะสิวมาสวรรค์เจาะเข้าไปขันน็อตเข้าเลยพระเราเอาแบบวิทยาศาสตร์นะไม่ได้ไม่เปปลุกเสกเต่าพุ๊บๆอยู่มันจะขึ้นเหรอมันก็ลมพัดมังกนแอดวอนแอดเหมือนเดิมดิมันก็ต้องเอาจริงนี่ดีไยวมขัขันน็อตขันอะไรเข้าไปใส่ตรงไหนแหละขย่าดูดิพระสองสามวงมาขย่าดูดิเป็นไงแต่เขาทานะเอาปูนมาแป้งมาเจิมนิดๆเข้าไปพอพิธีแต่ต้องซ่อมซะก่อนค่อยเจิมเนะ่ เดี๋ไปเจิมขวดแล้วมันามาก็ไม่เชื่อมือหาว่าเราไม่ขังก็ไม่ได้หรอกเจ้าทำขยาวดูตรงไหนมันไม่ดีเลยพระสงฆ์เจ้าเล่แล้วพวลาอย่างนี้นมาทําสะอาดน้ํามนมาจะทํานำมนมำ น, ำม น, น้ำมนก็มาเป็นกละมังนู่นแหละเยอะๆไม่ได้เอาน้อ ย, อยเสร็จปุ๊บเอามาเอาไม้ถูมาเทลาดบ้านเนี่ยทำสะอาดหมดถูช่วยกันทำสะอาดผีไม่กล้าอยู่หรอกมันสะอาดเนี่ยที่มันไม่สะอาดคือมันผีตรงนั้นน่ะตรงนั้นน่ะตรงมุมนั้นน่ะไม่กล้าเข้าไปทำสะอาดเลยหรือออกมาทำสะอาด ไม้ถูทําสัตว์ปัดกวัดน้ําราดสัตว์ถูบนบ้านบนเมืองไล่ผีไปหมดเขาก็สบายอกสบายใจต่อมาก็สบายขอบครัมันก็ไม่มีอ่ะมันมีเพราะมันมีความเชื่อแบบนั้นอ่ะเราต้องล้างอุปท า, านแล้วก่อนอันไหนล่ะตรงนั้นก็เป็นไม้ฟ้าพาอย่างโน้นนี่เอามาผีมีเหลือในนี่เอามาแช่น้ํำดูดิแช่ไว้สักสองามชั่วโมงแล้วก็บอกเขาเป็นยังไงถ้าผีมันมีจริงมันไม่ได้หายใจนะอยู่ในกระมังนี่ตายแล้วล่ะป่านนี้นะ ปลากกเราไปดูอ้าวมันไม่เห็นเป็นอะไรนี่แสดงว่ามันไม่มีนะผีก็คงตายไปแล้วว่ามันเท่น้ํานานแล้วมันไม่ได้หายใจขนาดเรานี่ก็ยังไม่ได้หายจากกระเทบตายแล้วว่าอัดจมูกนี่มันฝุ่นเยอะบ้านนี้มันสุกบอกว่าฝุ่นมันมากนล่พอเราล้างสะอาพอไปเยี่ยมเข้าใหม่ก็สะอาดสะอานก็สบายแจ่มใสคือสอนปัญญาให้คนเองสอนปัญญาให้คนนี่ดีกว่าสอนงมงายนะพอคิดว่าน่าจะนะ ล้างอาถรรพ์โยมได้นิดๆหน่อยๆนะวันนี้ก็เอาเดี๋ยว่วานะกับพระสามทุ่มพอดีนะ